ลมหายใจเข้าออกแล้วละนันทิความเพลินก่อนจะละนันทิเราต้องรู้ก่อนแล้วค่อยปล่อยใช่หรือไม่การปล่อยค่อยๆปล่อยหรือว่ารีบปล่อยเลยครับก่อนจะละนันทีเราต้องรู้ก่อนแล้วค่อยปล่อยใช่หรือไม่ การปล่อยค่อยๆปล่อยหรือว่ารีบปล่อยเลยพระศัสดาเปรียบเหมือนไฟไหม้ลุกพลงเสื้อผ้าสมมุติว่าตอนนี้โยมมีไฟไหม้ลุกเสื้อผ้าโยมอยู่โย ม, ยมค่อยๆดับใจเย็นๆหรือว่ารีบดับให้ไวที่สุดใช่ไหมมีใครใจเย็นปล่อยมันไหม้มมไปก่อนเนี่ยสักพักค่อยดับก็ได้นะรีบดับเนะ หรือไฟไหม้ผม บ, บนศีรษเหมือนกันเดี๋ยวเล่อยไปก่อนเดี๋ยวสักพักค่อยดับหลักเดียวกันผู้เจ้าบอกเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุสลหีอปติวานีสติสปชัญญาอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอคุสลหรืออารมณ์นั้นเสียโดยดวนนะพบคือการเกิดของจิตเนี่ยแม้ชั่วขณะ รัดนิ้วมือเดียวแม้นิดเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดอุดจลาปะปัสสาวะที่เปื้อนตัวเราแล้วต้องรีบล้างรีบเช็ดออกให้หมดไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้มันไม่มีประโยชน์เลยนั้นถ้าโยมรับรู้ปั๊บปล่อยเลยเนี่ยสักแต่ว่ารู้นะมรรควิธีนี้บรรลุเร็วด้วยสอนกบมาลุงกัจจบุตรผู้เท่าผู้แก่ผ่านวัยมานานผ่านราตรีมานาน ก็บอกมีธรรมะสั้นๆไหมที่ฟังแล้วปฏิบัติแล้วจะบรรลุธรรมเลยพูเจ้าอ่านนี่เลยเนี่ยสักแต่วรู้รู้มาปับ๊บวางวางวางตาเห็นรูปผูกกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรดอย่าไปสนใจปล่อยวางอย่างเดียวทำแค่นี้ตัวตนเธออันนี้ก็ทำได้ ติดตามให้ไวที่สุดเนาะเมื่อปฏิบัติธรรมขณะนั่งสมาธิจะเห็นแสงสีท่านพระอาจารย์บอกให้กำหนดลมเข้าออกต่อไปแล้วขณะทาต่อไปจะเป็นสีขาวโพลนจะทำต่อไปหรือกำหนดให้เป็นวิปัสนายานอย่างไรครับกำหนดลมต่อไป แล้วขนะททำต่อไปจะเป็นสีขาวโพลน <c oughs> จะทำต่อไปหรือกำหนดให้เป็นวิปัสนาญาณเนี่ยมันไปเป็นสีเป็นอะไรมันลืมลมแล้วนะขณะที่จิตไปรู้สีรู้อนะไรเนี่ยวินาทีนั้นไม่รู้ลมแลนะ้วเห็นไหผู้เจ้าสั่งง่ายๆอย่าลืมลมหายใจแค่นี้เรายังลืมเลยแล้วแถามถามอีกจะทำยังไงตอบกลับมาที่ข้อที่หนึ่งผู้เจ้าบอกอย่าลืมลมใช่ไหมอ่าแค่นั้นเองนะ กายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมโยมลืมลมหายใจลืมจิตอยู่กับกายโยมก็กําลังลืมอมตะลืมนิพพานเห็นไหมครูเจ้าให้จิตอยู่กับกายจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตตกลงแล้วเราจะเอาความเห็นเราหรือความเห็นพระพุทธเจ้าดีน้อใช่ไหมเนี่ยแหละโยมต้องวางความเห็นทุกอย่างเลยแล้วก็เดินตามพระุทธเจ้าอย่างเดียวนะง่ายๆ การกำหนดให้เป็นวิปัสนาสมมติว่าถ้าโยมยังอยากจะดูสีดูแสงทำไมโยมไม่คิดว่าสีแสงเนี่ยมันเป็นชีวิตหรือมีความรู้ขึ้นมาหรือเปล่าใครเป็นคนรู้สีแสงนั่นน่ะวิญญาณขันเป็นคนเข้าไปรู้นะต้องรู้จักว่าวิญญาณเป็นผู้ที่เข้าไปรู้ทั้งการเห็นในภายในภายนอกก็ตามเสียงทิพเสียงมนุษย์นะ กลิ่นอันเป็นทิพย์กลิ่นของมนุษย์อะไรจีปาักวิ ญ, ญญาณขันเข้าไปรู้ได้หมดและนั่นคือวิญญาณขันเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยเข้าไปสร้างภพถ้ายมเพลินกับแสงต่อไปกับสีต่อไ ป, ก, อไปก็เป็นชาติและที่สุดดับไหมดับคือชราโมรณะเนี่ยนั้นถ้ายมเห็นตั้งแต่วิญญาณเข้าไปจับเพลินต่อจบชาราโมลณะเนี่ยวิปัสสนา นั้นเราต้องเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่เข้าไปรู้แสงสีเสียงเนะ่เข้าไปรู้กลิน่นไปรู้ธรรมลมณิที่ป้าทาสารพัดนะี่นั้นผู้เจ้าให้ไปเพลินกับสิ่งเหล่านะั้นไม่กลับมาอยู่ที่กายผู้เจ้าบอกในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเป็นที่ออกของโลกเป็นที่ออกของความเกิดแก่เจ็บตาย เราจะพ้นจากความตายได้ถ้าเอาจิตกลับมาตั้งอยู่ที่กายนี้อย่าเคลื่อนออกไปอย่าไปสนใจนะนั่งสมาธิแล้วมีอาการเหมือนเลือดไหลเวียนทั่วโมเลตเย็นทั้งตัวเราต้องดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจหรือปล่อยตามอาการนั้นครับ ม, มันปิติหรือจะเป็นลมเนอะนี่เย็นเย็นนี่จะเป็นลมหรือเปล่านะหน้ามืดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ไม่เป็นอะไรก็ก็วางไปแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกรู้ลมเข้าออกสมมติ ว, ว่าปิติเกิดเกิดแล้วก็ดูว่าปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปิติ รู้ต่อได้ไหมได้ทำมากจเจริญมากได้สุขในสมาธิผู้เจ้าบอกอยากกลัวเสพมากทำมากจเจริญมากได้ปริพาชคมาว่าสาวกของผู้เจ้าเนี่ยอยู่แบบผู้เสพสุขผู้เจ้าบอกว่าให้ตอบว่าใช่นะเราเสพสุขด้วยการเข้าปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตัตยฌานจตุฌานนะเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำมากจเจริญมาก ผู้ใดทำมากจเจริญมากชื่อว่าลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานนะแต่ขณะเดียวกันให้เขาทราบว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานะเขาอยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขและเครื่องอยู่สงบเท่านั้นนะเพราะนั้นก็จะต้องเห็นการเกิดดับต่อไปแล้วก็ปล่อยวางต่อนะเป็นอย่างนี้ก็ดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจ เมื่อนั่งสมาธิระหว่างตามรู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นเกิดปวดเมื่อยขาขยับขาต้องตามรู้ว่าขาเคลื่อนไหวด้วยหรือไม่เราค่อยกลับมาดูลมหายใจหรือไม่ต้องตามรู้อยู่กับลมอย่างเดียวอีกข้อถามว่าทำไมเมื่อจิตรู้เกาะลมหายใจเข้าออกจึงรู้สึกมีความสุขในข้อถามว่าระหว่างการเจริญสติตามพุทธจนะผู้ปฏิบัติ ต, ต้องสังเกตเองแก้ไขรายละเอียดเองใช่หรือไม่ครับ อืมใช่ต้องรู้จักสังเกตต้องรู้จักสังเกตตัวเองในขณะที่เจริญสติผู้เจ้เาจึงบอกข้อควรระวังในการเจริญสติประทานสี่คือเราขาดความสังเกตจะทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันพระองค์เปรียบเหมือนพ่อครัวพ่อครัวเนี่ยทำครัวทำอาหารพ่อครัวสองคนทำอาหารให้กับพระราชามหาหมา พ่อครัวคนหนึ่งทำแล้วก็แล้วไปไม่ได้สังเกตอะไรพระราชามหาหมาดกินเสร็จก็เก็บเก็บเก็บไปแต่พ่อครัวอีกคนหนึ่งทำอาหารให้แล้วก็สังเกตว่าวันนี้พระราชากินอะไรมากเปรี้ยว ม, มากนะเค็มมากหวานน้อยนะมหาหมาดกินอะไรมากนะวันรุ่งขึ้นต่อไปก็ทำเปรี้ยว ม, มากเค็มมากหวานน้อยตามที่พระราชาชอบทาน ครรัวคนนี้ก็จะได้รับรางวัลจากพระราชาและมหามาัดนะเพราะนั้นพระองค์บอกว่าถ้าคนจเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วไม่รู้จักสังเกตไม่มีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยว่าไอ้อะไรเกิดอะไรดับอย่างนี้ <c oughs> ก็จะหลุดพ้นไม่ได้จะเปรียบเหมือนมา้าม้าอาชาไนานะพระองค์จะเปรียบเทียบม้าอาชาัยกับม้ากระจอะนะก็เปรียบเทียบเท่ากับภิกษุอาชาัยกับภิกษุกระจอก ภิกษุกระจอกก็จะนั่งสมาธิแล้วก็ไม่เห็นอะไรเกิดดาบอะไรไม่สังเกตไม่รู้ว่าฉันจะรู้ลมเอ้าลมออกของฉันก็ไม่สนใจอะไรก็หลุดพ้นไม่ได้อีกนะได้ระดับหนึ่งแล้วจวนละแต่ไม่หลุดนะแต่ถ้ามาอาชาไนผู้เจ้าบอกมันกินข้าวเปลือกอยู่ในลางเนี่ยมันก็จะใคร่ควรว่าวันนี้สารถีเราจะฝึกอะไรเราเราจะโต้อตอบยังไงปฏิบัติยังไงทาอะไรยังไงมันจะใคร่ควร ขนาที่มันกินข้าวเปลือกมันไม่กินแบบเพลินแบบเมามันแบบไอ้หมากระจอะมันกินกินกินกินอย่างเดียวไม่สนใจอะไรนะอ่า น, นั้นภิกษุอาชานายก็จะมีการคขายคนขณะทําสมาธิก็หลักเดียวกันระหว่างเจริญสติให้เราพิจารณาสังเกตด้วยมีไหวพริบด้วยเช่นว่าจิตหลุดไปเนี่ยมันหลุดไปในอะไรบ้างนะหรือว่ากระบวนการของจิตทํางานอย่างไร เห็นจิตวนอยู่ใน4ท่าเนี่ยโสดาบันละเห็นนะเห็นจิตมีการไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนมั่นใจอยู่นี่ว่าเออจิตเปลี่ยนแปลงแน่นอนจิตไม่มีการอยู่นิ่งโสดาบันอีกเหมือนกันนะหลายมุมที่ถ้าเราได้สังเกตกระบวนการทำงานของจิตได้เข้าล่องเข้าลอยอย่างที่พพุทธเจ้าบอกเนี่ยนั่นคืออริยบุคคลขั้นต้น เมื่อนั่งสมาธิหายใจเข้ายาวออกยาวผอบสั้นออกสั้นปวดเมื่อยขาขยับเราก็รู้ตามการเคลื่อนไหวขาด้วยก็ได้แล้วค่อยกลับมาดูลมหายใจก็ได้นะหรือไม่ต้องตามรู้อยู่กับลมก็ได้ทั้งสองอย่างเพราะทั้งสองอย่างก็เป็นกายใจยังไม่ได้หลุดจากกายไปยังจัดเป็นกายยัคตาสติทั้งคู่นะเหมือนโยมเดินจงกรมนะจะมาอยู่กับลมบ้างหลุดไปเท้าบ้างนะ รู้การก้าวบังไม่ได้ปิดอะไรนะยังอยู่กับกายจิตยังอยู่กายยังไม่หลุดไปในการคิดอดีตคิดอนาคตสุขทุกพอใจไม่พอใจไม่เป็นปนัญหานะยังเป็นกายยคตาสติทำไมเมื่อจิตรู้ลมเข้าออกจึงมีความสุขก็จิตเมื่อมันไม่ฟุ้งนะ่ะนะมันหยุดมันสำรวมอินทรีย์เข้ามาเนี่ย ปิติสุขมันจะเกิดขึ้นมาเองนะผู้เจ้าบอกทมย่อมไหลไปสู่ธรรมนะโยมไม่ต้องปรารถนาจะมีปิติมีสุขมันก็มีได้เพราะโยมสร้างเหตุถูกคือให้จิตรู้ลมหายใจอย่างเดียวนะสร้างเหตุที่ถูกต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำย่อมไหลไปสู่ธรรมของมันเองนะวันหนึ่งขณะเดินพยายามตามรู้ร่างกายขาที่ก้าวเดินแขนที่ยกขึ้น ความคิดที่แว บ, บขึ้นมาและต่อมาก็เห็นว่าตัวเราพยายามตามดูการเคลื่อนไหวตามจุดต่างๆคำถามคือการพยายามตามรู้ในตอนแรกกับตอนที่รู้ว่าเรากำลังตามดูการเคลื่อนไหวของกายนั้นเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ครับ ความพยายามในการความพยายามตามรู้ในตอนแรกกับที่รู้ว่ากำลังตามดูการเคลื่อนไหวนั้นเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ตัวเดียวกันนี่แหละวิญญาณขันนี่แหละนะอันเดียวกันการเดินจงกรมต้องเดินเท้าซ้ายขวาอะไรก่อนหรือไม่พร้อมทั้งเวลากลับต้องมุนอย่างไรจึงจะถูกวิธีครับ ไม่มีบัญญัติตรงนี้เดินปกติพระเจ้าบอกการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูคู้แขนเหยียดแขนหยิบปาจีวรสังขติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจ า, า, าะปัสาวะนั่นคือโยมเคยเดินเข้าส้วมยังไงนะเคยนอนยังไงเคยนั่งยังไงก็ทําตามนั้นไปปกติเพียงแต่เอาใจมาอยู่กับกายที่กำลังทากิจนั้นๆทาอิริบทนั้ น, น, นแค่นั้นเองน ะ, ะไม่มีว่าจะต้อง จังหวะนี้เลี้ยวยกขาเลี้ยวขวาเท่านี้องศาเท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะนัะ้นก็จะมีเรื่องที่บัญญัติใหม่กันมากมายอยู่เหมือนกันเหมือนกับน้ำเนี่ยพระเจ้าบอกว่าน้ำเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องประเคณก็ได้นะสามารถสันได้นะท่านี้ ก็จะมีบัญญัติบอกว่าน้าร้อนต้องประเคนนะอันนี้ก็บัญญัติเพิ่มอีกเหมือนกันหลายวัดเขาจะต้องประเคนน้าร้อนนะเราก็เลยถามแล้วร้อนกี่องศานะมันวัดไม่ได้หกสิบต้องประเคนไหมสี่สิบสามสิบห้าสามสิบ็ดอะไรเนี่ยมันบัญญัติเพิ่มนะพระเจ้าบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดนะอ่า เกลืออาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ําและไม้ชาระฟันเป็นปาจิตติน้ําก็เ2 o นั่นแหละมันจะเย็นมันจะเป็นอะไรก็ก็น้ําอ่ะนะอ่อีกพวกนึงก็บอกน้ําแข็งต้องประเค้นนะอืมก็ลําบากเหมือนกันตรงนี้ถ้าเราบัญญัติเพิ่มปั๊บเนี่ยมันจะมีน้ําร้อนประเค้นน้ำแข็งประเคนนะร้อนร้อนแค่ไหนนะน้ะําเย็นต้องประเคนไหมอุ้มันจะมีคําถามอีกเยอะแยะเลยนะ นั้นผู้เจ้าก็บอกแค่น้ำจบละน้ำเนาะก็อันนี้ก็คล้ายๆ ก, การเดินก็คือเดินปกติก็โยมจะสังเกตว่าโยมจะไม่เคยเห็นที่ผู้เจ้าบัญญัติเรื่องวิธีในการเดินนะจะบอกวิธีในการนั่งบอกวิธีในการนอนนะนอนอย่างเปลนะนอนหงายนอนอย่างเปลน นอนอย่างผู้บริโภคกามตะแคงซ้ายนอนอย่างศีหะราชะสีตะแคงขวานะนอนอย่างตถาคตก็คือนอนในชั้นที่สี่เข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่แล้วนอนนะก็จะมีสีท่าการนอนการนอนสนะีอย่างพูเจ้าก็แนะนำให้พิสุนธินอนตะแคงขวาเท้าซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้านะอ่า มีความหมายยังไงก็ไม่ได้บอกความหมายอะไรไว้นะอืแต่น่าจะดีไหมเห็นหมอหลายคนบอกว่าน่าจะดีเพราะว่ามันไม่ทับหัวใจอย่างนี้อ่าฮะแต่พระเจ้าก็บัญญัติก็ไม่ได้เหตุให้เหตุผลอะไรมากนะก็เพียงแต่บอกว่านอนตะแคงขวาละกันและเท้าซ้อนเท้าถ้าเหลื่อมเท้าหน่อยถ้าโยอมไม่เหลื่อมเท้าเนี่ยกระดูกมันจะเกยกันมันจะนอนไม่สบายแต่เพราะเท้าเหลื่อมเท้าปุ๊บเนี่ย มันจะสบายขึ้นส่วนมือก็ไม่ได้บัญญัติบอกว่ามือจะทํำยังไงมือก็วางตามสบายจะวางตรงไหนให้มันสบายก็วางไปนั่นก็เหมือนกันนั่งก็บอกนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบก็ไม่ได้บอกว่าการวางมือเท้าจะเหลื่อมจะซ้อนกันขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาก็ไม่ได้บัญญัติรายละเอียดนั้นผู้เจ้าก็เปิดช่องว่างไว้อะไรที่ผู้เจ้าเปิดช่องไว้เนี่ยก็อย่าไปฟิกมันก็เปิดกว้างไว้อะไรที่ผู้เจ้าฟิกก็ฟิกตามนั้น น่เ น, นี่ยในหลายๆเรื่องพูะเจ้าเปิดกว้างเอาไว้เช่นอรุณอย่างเงี้ยท่านบอกว่าสว่างสว่างก็สว่า ง, างบางคนบอกวสว่างวัดยังไงนะอัจฉริก็จะไปบอกว่าดูเส้นลายมือนะถ้าเห็นเส้นลายมือใหญ่เนี่ยแสดงว่าได้อรุณแล้วบ้างก็บอกว่าดูใบไม้อ่อนใบไม้แก่นะ น, นี่บัญญัติเพิ่มหมดเลย นะเพราะนั้นผู้เจ้าก็พูดแค่อรุณคือสว่างแล้วแต่ความรู้สึกของคนว่าขนาดเนี้ยสว่างแล้วนะวัดแค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นช่องตรงเนี้ยผู้เจ้าเปิดกว้างเอาไว้ก็อย่าไปลงรายละเอียดไอ้โน่นไอ้นี่นะอย่างเนี้ยเพราะนั้นจะมีหลายเรื่องเหมือนกันที่ผู้เจ้าเปิดกว้างเอาไว้อะไรที่ท่านลงรายละเอียดก็ให้ลงตามนะเหมือนการตรงนี้ก็เดินสบายสบาย ในการภาวนาไม่ควรมีหรือใช้คำบริกรรมแต่พิจารณาสายปฏิจจสมุปบาทคนททำอย่างไรขอให้ช่วยแนะนำหรือว่าให้ท่องบทปฏิจจสมุปบาทหรือพิจารณาติด จ, จิตตามสายปฏิจจสมุปบาทครับอืมภาวนาไม่ควรมีกรรมหรือใช้กรรมบริกรรมนะอืม ก็ไม่มีเนื่องจากว่าผู้เจ้าไม่ไม่เคยบัญญัติเราก็ไม่ใช้นะเพราะนั้น <c oughs> เขามัจากจะเข้าใจผิดเขาไปคิดว่าที่บริกรรมนั่งพุทธโธเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพุทธานุสติเราไปเจอพระสูตรพุทธานุสติของผู้เจ้าไม่ได้นั่งท่องชื่อผู้เจ้านะแต่เป็นการน้อมละลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้เจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงนะเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้สมควรฝึกปลุดที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าโยมต้องระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าการเกิดมาจริงนะความสามารถจริงจนกระทั่งปีติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นอย่างนี้ไม่ใช่นั่งท่องชื่อท่องชื่อท่องชื่อไปเรื่อยๆใช่ไะแล้วอย่างไงท่องชื่อแล้วอย่างไงนะก็ไม่เคยมีบัญญัตินะนั้นเกิดอีกคนนะเกิดมาบัญญัติโยมเข้าพุทออกโธเข้าโธออกพุทได้ไม มันก็จะเอาแล่ละไอ้ไม่เหมือนกับอาจารย์ผมใช่ไหอีกคนก็ธรรมโมอีกคนก็สังโฆนะก็จีปาถาก็คิดกันขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยนั้นมันมันไม่มีอะไรมันความปิติความสุขจิตตั้งมั่นจะต้องเกิดจากความที่เข้าใจในสิ่งที่ไข้ครวญ น, นะเหมือนเกิดโยมนั่งสมาธิแล้ว มีคนให้ท่องกระโถนยยมว่าท่องกระโถนกระโถนเข้ากับออกโถนแล้วถามวาได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่ได้เกิดความเริ่อมใสอะไรในตรงนั้นใช่ไห ม, อ, มอันนี้โยมจะท่องพุโทโธโยมต้องรู้สึกถึงความรู้สึกพุโทโธคืออะไรเกิดโยมให้ฝรั่งมันท้องพุโทโธฝรั่งมันรู้ไหมมันก็นั่งทุกพุโทโธไม่ต่างกับนั่งท่องกระโถนกระโถนไปเรื่อยๆมันไม่รู้เรื่องนะโยมมันไม่รู้เรื่องใช่ไหม เพราะนั้นความทราบซึ้งใจเกิดจากความเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังคิดไข้ครวนตริตรตรกอย่างนี้ น, นั้นหลักอันนี้ผู้เจ้าก็บอกไว้แล้วว่าขนทางเข้าถึงวิมุตต์เนี่ยภิกษุนั้นเป็นผู้ตริตรตรึกในธรรมคิดไข้ควรวญในเนื้อธรรมะจนเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเข้าวิมุตต์ได้อย่างนี้นั้นอันนี้ก็เรื่องของคำใบริกรรำลังก็จึงไม่มีที่ผู้เจ้าสอนตรงนี้เอาไว้ ส่วนการพิณาปฏิจจสุบาทผู้เจ้าบอกถ้าเธอจะคิดให้คิดเรื่องอะไรหนึ่งให้คิดโดยความเป็นอาญตนะคิดโดยความเป็นธาตุคิดโดยความเป็นปฏิจจสุบาทเห็นนะถ้าจะคิดบอกวิธีคิดไว้ให้ด้วยนี้ยมบอกปฏิจจสุบาทควรทําอย่างไรนะหรือว่าให้ท่องบทปฏิจจะหรือพิณาจิตตามสายปฏิจจะก็คือพิณาให้เห็นจริงตามที่ปฏิจจานั้น นะปฏิจญาท่องมาเนี่ยมันคือลำดับขั้นการเกิดของจิตสมมุติว่ายอมนั่งสมาธิแล้วยอมท่องปฏิจญาสมุปบาทได้ยอมก็อาจจะนึกไปถึงว่าเอเมื่อสามวันก่อนไปเดินห้างตาไปกระทบรูปกระเป๋าเห็นแล้วก็แหมอดไม่ได้จ่ายเงินซื้อไปนี่ได้กระเป๋ามาละ แต่เราก็มากลับบ้านมาพิจารืมกระเป๋าก็มีทั้งหลายสิบใบแล้วไม่น่าซื้อใหม่อีกเลยนะเป็นเพราะเราห้ามความอยากไม่ได้ตากระทบลูกเกิดความพอใจเกิดความอยากเกิดความยึดกระเป๋าฉันออ้ตรงสายปฏิจจที่เราท่องเลยเนี่ยใช่ไหมภาษาทางตาเกิดแล้วเราก็พอใจมันโอ้แล้วเราก็มีความอยากตามมาเนาะอืมพอเราไม่ห้ามความอยากปุ๊บเราก็จ่ายเงินซื้อใช่ไหมเนี่ย เราก็เห็นสายอาการเออใช่ผู้เจ้าบัญญัติจริงด้วยจิตเรามีอาการอย่างนี้เลยนะล้วก็หยิบตรงนั้นตรงนี้มาใข้ควรมาพิณาเออปฏิจจสุวัตเป็นยังไงใช่มเออเราทานอาหารเมื่อเช้าทานโอ้อ า, าอาหารอร่อยเนอะ อ, อืมก็เลยแทนที่จะมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยก็เลยเติมไปอีกเล็กน้อยเมื่อเต็มแล้วใช่ไหม อ, อ่าอย่างนี้เราก็เริ่มรู้แล้วเออเราเพลินกับรสใช่ไหม อันนี้เราพลาดแล้วตัดสายประติจะไม่ทันนะมันก็เลยทำให้อิ่มจนอึดอัดเกินพอดีสร้างทุกเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นคืออิ่มจนอึดอัดแทนที่จะกาจัดทุกเวทนาเก่าที่เกิดขึ้นคือความหิวแค่นั้นพอดันสร้างทุกข์ใหม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างเงี้ยนะนั่นเราก็เอามาไห้ควรพิณาพอตกเย็น อุจจาระแล้วโอ้อาหารเมื่อเช้าที่อร่อยมันหมดค่าหมดค่าหมดราคาไปเลยมันเป็นอุจจระแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็น้อมนึกทุกครั้งนะทายอุจจระก็ได้ประโยชน์นะอาบน้ําก็ได้ประโยชน์ถูกิ้คายโอ้โหออกบานเลยใช่ไหาแปลงฟันก็ได้ประโยชน์นะนึกถึงเออฟันมันก็สกรปรกเนาะอะไรก็คข้ยครวญหมดนะโยมก็จะได้ประโยชน์จัดทุกอิรียบทที่โยม ใช้ชีวิตอยู่นะอันนี้เราก็มาใช้ในขณะนั่งสมาธิก็ได้นะหรือถ้ายังท่องไม่คล่องก็ท่องสายปฏิจจสมุปบาทขึ้นลงขึ้นลงย้อนขึ้นย้อนลงให้คล่องก็ได้นะขอทราบเรื่องการเพ่งกสินในพุทธจนะพร้อมวิธีปฏิบัติได้ข้อถามว่าเวลานั่งสมาธิรู้ลมมีอาการเหมือนตัวพองถ้าตามแนวทางนี้คือให้กลับมารู้ลม ไม่สนใจแนวการใดๆที่ผ่านเข้ามาใช่หรือไม่ในบางครั้งได้ยินมาว่าให้พิจารณ า, าธาติตอขอทราบเรื่องพิจารณ า, าธาตคืออะไรครับกระสินก็ไม่มีอะไรแลก็มีกสินน้ากระสินลมกระสินไฟกระสินโลหิตอะไรเนี่ยโยมขีคำว่ า, ากระสินเข้าไปเนี่ยุนี่ พสูตรจะขึ้นมาพปัป๊บออกมาพอสมควรนะแต่ดูแล้วผู้เจ้าก็ไม่ได้สัรเริญอะไรไว้มากนะก็บอกแนวทางเอาไว้นะการทำสัญญาตามความหมายรู้ในสิ่งสิ่งนั้นรู้จักธาตุแล้วใครเป็นคนเข้าไปรู้ธาตุนั้นนะนั้นการหมายรู้ในธาตุดินน้ำไฟลมต่างๆเนี่ยนะการเข้าไปหมายรู้ยัมก็จะต้องมีรายละเอียดรู้อีกว่า ใครเป็นคนหมายรู้ในสิ่งสิ่งนั้นสรุปแล้วยอมต้องรู้จักขันห้าให้ได้นั่นเองสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้าโยมใช้มักวิธีอะไรก็ได้แล้วน้อมกลับเข้ามาให้ลงในขันห้าให้ได้นั่นน่ะปล่อยวางได้เวลานั่งรู้ลมมีอาการเหมือนตัวพองนี่นี่มันหายไปนิมิตแล้วนะนี่ ตัวพองตัวยุบตัวใหญ่ ม, มีช้างวิ่งมาอะไรอ้จิปาถะน ะ, ะลืมลมหายใจละถ้าตามแนวทางนี้คือให้กลับมาสู่ลมใช่อย่าลืมลมนะไม่สนใจอาการใดๆที่ผ่านเข้ามาใช่หรือไม่ถูกต้องอาการที่ผ่านเข้ามาเนยมพิณาเนี่ยมันมีเกิดปรากฏไหมลืมอีกแล้วเห็นไหมสมุทัยเกิดแล้วมันจะต้องจบด้วยลายนิโรธ แล้วเราควรไหลาตามอารมณ์นั้นไปไหมไม่ควรไฟไหม้ละไฟเริ่มไหม้ละใช่ไหมเราควรรีบดับไม้รีบดับนะเพราะนั้นรีบดับทันทีเลยกลับมารู้ลมหายใจเข้าไว้นะีนย่ยมนึกอุปมาของผู้เจ้าเรื่อยๆปั๊บเนี่ยมาเทียบเคียงลยเฮมาแล้วมาแล้วกิเลสมาแล้วใช่ไหมสันโยคะละยมนึกสิผู้เจ้าบอกอ่านมีกําลังสันโยคะนะกําลังเพลินนะต้องละสันโยคะละความเพลินในอารมณอย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ ด้วยหน้าหนงความเพลิดเราก็กลับมาปั๊บรู้ลมหมยใ่เข้าไว้บางครั้งได้ยินมาให้พิณาธาตุธาตุคือลายพุทธเจ้าบอกให้พิณาโดยความเป็นธาตุนะพระศาสดาบอกนั่นเองบอกโยมบอกได้ยินมาเนี่ยต้องฟันธงได้เลยว่าพระสูตรนี้ผู้เจ้าตัดไว้นะอ่านะ บุคคลผู้ควรเป็นเกเพลีคือเป็นพระรหลานเกเพลีแปลว่าพระหลานอีกชื่อหนึ่งเหมือนกันนะคือฉลาดในธรรมะเจประการนะแล้วก็พิจารณาให้ ค, ควรทําโดยวิธีสาประการฉลาดในธรรมะเจประการก็คือรู้จักสิ่งสิ่งนั้นรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับรู้จักอัศทะลดอร่อยรู้จักอาทีนวะรู้จักโทษของมันและรู้จักนิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากมัน คือรู้จักอริย ส, สัจสและรู้จักอาศาทาอาทินวะและนิสลณนะเจประการและพิจารณาธรรมโดยวิธีสประการพิณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสุบานนะพิณาเป็นธาตุคือยังไงโยมก็มาพิณากายของโยมเนี่ยมันมีธาตุอะไรบ้างกระดูกเนื้อฟันผมพวกนี้ธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำนองนะน้ำปัสสาวะ อ่ะอันนี้เป็นธาตุน้ำความร้อนความอบอุ่นในร่างกายอ๋อนี่เป็นธาตุไฟลมที่ไหลเข้าไหลออกลมเบื้องบนเบื้องล่างนะลมที่โน่นที่นี่ในร่างกายธาตุลมมีอะไรหมดแล้วนะก็โดยหลักๆ ก, ก็คือมหาปุตตะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือจะพิณาให้แยกคายลงไปอีก ก็จะมีอากาศธาตุคือความว่างช่องว่างช่องว่างระหว่าง อ, าอาวัยวะช่องว่างในรูหูอย่างนี้อ่าเป็นความว่างนะระหว่างอาวัยวะที่มันติดกันมันมีช่องว่างนะเป็นความว่างเรียกอากาศธาตุพินาลึกลงไปอีกในกายที่ประกอบด้วยมหาพุตะ ธ, ธาตุสีนี้นะก็มีวิญญาณมีวิญญาณคลองก็คือมีวิญญาณเนี่ยตั้งอาศัยในมหาปุตะ ธ, ธาตุสีนี้ เนี่ยพิจารณาโดยความเป็นธาตุนะไม่ใช่ตัวเราของเราพุทธวจนะกล่าวถึงการเจริญสติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และคารวะเหมือนกันหรือไม่เนื่องจากทั้งสองเพศมีสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตต่างกันและพุทธวจนะกล่าวถึงการเจริญสติของอุบาสิกาบ้างหรือไม่อย่างไรครับ ไม่ได้แยกเยอะขนาดนั้นพระเจ้าบอกแค่ว่าธรรมะเนี่ยเหมาะกับมนุษย์และเทวดานั้นเวลาสอนเนี่ยพระเจ้าบอกเลยว่าอย่าคิดว่าพระเจ้ามุ่งหวังกับคนคนนี้คนเดียวนะพระองค์สอนกับคนคนนี้ก็ตามแต่เพื่อประโยชน์ต่อมาหาชนทั้งหลายทั้งหมดด้วยนั้นเผื่อแผ่เทวดาด้วยเผื่อแผ่มนุษย์ด้วย พระพุทธเจ้อาอธิบายระบบการเกิดยังอธิบายระบบการเกิดของเทวดาของภพต่างๆไปพร้อมเลยนะไม่ได้บอกแต่พบมนุษย์การเกิดในคันการเกิดในไข่มนุษย์นี่เกิดในคันการเกิดในไข่การเกิดในของเกิบตมการผุดขึ้นมาเองเป็นตัวเลยเรียกโอปปาติกะที่เราเคยทราบมาโอปปาติกะคื อ, อไหน่นอ คืออะไรพวกไหนเคยได้ยินบ้างมาพวกพวกเปรตและมีพวกอื่นบ้างมาพรมใช่ที่เราเคยได้ยินก็จะมีพวกพวกเปรตเป็นหลักนอกจากคนเคยศึกษามาก็จะเคยได้ยินว่าเอ๊ะผู้เจ้าบอกอนาคามีจะเรียกโอปปาติกาสัต นะนะเพราะนั้นพระอนาคามีก็เป็นพวกผุดขึ้นมาเองนะเกิดเป็นตัวขึ้นมาเลยนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกนะถ้าโยมไปค้นหาคำว่าโอปปาติกนะจะมีคำตอบตรงนี้ว่าพระศาสดาจะบอกว่า <c oughs> ตัวอย่างของสัตว์ที่ผุดขึ้นมาเองเนะี่ยมนุษย์บางพวก เทวดาบางพวกนะสัตว์นรกบางพวกอย่างนี้เปรตบางพวกนั้นมนุษย์บางพวกก็มีผุดขึ้นมาเองเหมือนกันนะทะนี้มนุษย์เนี่ยโยมจะเห็นว่ามีแต่มนุษย์อย่างนี้เท่านั้นแต่พู้เจ้าจะอธิบายมนุษย์ไวถึงสี่แบบนะนั้นที่พวกนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามนุษย์ต่างดาวอะไรนี่โอ้พระเจ้าเนี่ย อ, อธิบายมาหมดแล้ว มนุษย์เนี่ยจะมีมนุษย์ชมพูทวีปนี่คือแบบพวกเรามนุษย์ในอมละโคยานทวีปมนุษย์ในอุตรลกษุทวีปนะมนุษย์ที่เป็นปุบเผาวิเทหะนะก็จะมี4ี่แบบซึ่งจะมีคุณสมบัติต่างกันแล้วพระองค์ก็เปรียบเทียบกับดาวดึงนะมนุษย์ในชมพูทวีปดีกว่ายังไงดาวดึงดีกว่ายังไงนะอมละโคยานทวีปดีกว่ายังไง นั้นต่างคนต่างมีดีของตัวเองนะเพราะนั้นเราไม่ต้องอยากไปเกิดเป็นเทวดาไอ้เทวดาตายแล้วเนี่ยอยากเกิดเป็นไรล้วอยากเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่รู้อันไหนมันดีนะไอ้เราก็อยากไปเป็นเทวดาไอ้เทวดาก็อยากมาเป็นมนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งคารวะทั้งพิสุขเหมือนกันใช้ได้เหมือนกัน การเจริญสติของอุบาสิกาเหมือนไหมก็เหมือนกันหลักเดียวกันนะในบทสวดานาปนาสติช่วยอธิบายคำดังต่อไปนี้จากพุทธเจชนะทัธ ย, ยธรรมนะครับกายสังขารจิตสังขารปิติสุขโลภอภิชาจิตปราโมจิตตั้งมั่นจิตปล่อยความจางคลายความสลัดคืนครับ จริงๆนี้ควรจะสังเกตเองให้มากนะกายสังขารความปรุงแต่งทางกายให้มันลำงับเยอมลองดูสิอย่างแถวลบบุรีเนี่ยเขานั่งสมาธิแล้วก็บอกพอสงบแล้วต้องสัน่นต้องขยา่าเขาบอกเนี่ยสมาธิเกิดแล้วแต่ผู้เจ้าบอกว่ากายสังขารต้องลำงับ เห็นไหมว่าเวลาพระเจ้าบัญญัติอะไรเนี่ยมันป้องกันมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆไว้เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่นั่งเขย่าเขยตัวนี่ไปคนละเรื่องแล้วใช่ไหมบางคนนั่งแล้วบอกถ้าเป็นสมาธิต้องมีคำบริกรรมมุมมมุมมามุมมอะไรแบบหลายๆที่ก็จะมีเสียงอุมมามแล้วก็บอกเนี่ยได้ฌานแล้วซึ่งพูะเจ้าจะบัญญัติว่าตั้งแต่ปฐมฌานต้องวาจาดับวาจาต้องไม่มี เห็นนะั่นพวกมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆก็จะขัดแย้งกับภาศาสดาละอืมอืมอ่านั่นนะ่ะปรุงแต่งกันนะอ่าปรุงแต่งมากวิธี นนพระศาสดาบัญญัติต่างๆเนี่ยมีประโยชน์หมดได้ประโยชน์เยอะมากมาบัญญัติกันเองเงี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่บัญญัติเองเนี่ยเขาบอกอาจารย์เขาสอนมาเนี่ยลองถามเขาสิอาจารย์เขามีพระสูตรไหนให้ช่วยหาพระสูตรมาสินะผู้ย้าบัญญัติไว้ตรงไหนอย่างเนี้ยอืออื ม, อ, มอ่าฮะอือนะ อ่าอืมอืมอืมเนี่ยความเห็นทั้งนั้นเลยปรุงแต่งกันไปใช่น่าเห็นใจเหมือนกันก็คงต้องช่วยกันเผยแผ่พุทธวจนะให้มากๆนะ พวกนี้จะได้พ้นทุกข์สนะัีเนทรมานตัวเองนั่นน่ะทำกายให้ลำบากเนาะจิตตสังขารจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตนะ่ะเยอะเวลายมนั่งรู้ลมเข้าออกเข้าออกไปแล้วหลุดไปคิดเนี่ยนี่จิตตสังขารไปแล้วนะหรือว่าจิตไปเกิดปิติเกิดความสุขนี่ก็จิตตสังขาร น, นะจิตปรุงแต่งละ จิตขยับจากความรู้นิ่งๆเฉยๆเนี่ยขยับปั๊บเนี่ยปรุงแต่งนะเป็นจิตสังขารปรุงไปละนั้นพู้เจ้าให้สงบประนับจิตสังขารลงนะอภิชาก็คือความโลภนะปิติสุขเนี่ยโหถามทุกอันแสดงไม่เคยได้อะไรเลยสักอันนั้นนี่นะนะปิติก็ไม่เคยได้สุขก็ไม่เคยได้นะปิตินี่ คระเจ้าจะอธิบายด้วยอุปมานะเปรียบเหมือนเอาเอาก้อนผงที่สำหรับถูตัวเวลาอาบน้ำในสมัยก่อนนะเอามาแช่น้ำจนชุ่มดีแล้วก็เอามาประพรมทั่วทั้งกายนะมันก็จะเย็นซาไปทั้งกายเลยนะลักษณะอย่างนั้นเนี่ยพระ อ, องค์เนี่ปิตินะ เวลาถ้าโยมได้ปิติแล้วเนี่ยสุขก็จะเกิดเวลาปิติจางคลายไปดับไปเนี่ยมันจะสุขนิ่งสักพักหนึ่งนะจากนั้นเดี๋ยวจิตก็เคลื่อนออกไปละปรุงแต่งสร้างจิตตสังขารอีกละจิตปราโมทจิตตั้งมั่นเวลาจิตปกติโยมเทียบสี่ก่อนนั่งสมาธิกับได้ปิติได้ความสุขรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเนี่ยจิตมันมีความสุขมันปราโมทขึ้นมาไหม แค่ศีลบริบูรณ์เนี่ยผู้เจ้าบอกจิตก็จะปราโมทลนะนะมีความยินดีเพราะว่าเราไม่เกิดวิปฏิสานความเดือดร้อนใจเมื่อความเดือดร้อนใจไม่มีเนื่องจากกายวาจาบริสุทธิ์จิตจะเกิดความปราโมทเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมานจิตตั้งมั่น เวลาอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เรียกว่ามันตั้งมัน่นคำว่าตั้งมั่นเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจผิดไปได้หลายๆเรื่องคิดว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจะต้องไม่ขยับไปที่ไหนนี่คือความเข้าใจผิดของนักปฏิบัติจำนวนมากๆเลยเพราะคำว่านิ่งในภาษาไทยเนี่ยนิ่งมันคือไม่ขยับแต่นิ่งของพระาศาสดาเนี่ยหมายถึงหนึ่ง ไม่ขยับไปในอกุศลนิ่นิ่งแล้วเรียกปฐมฌานไม่ขยับไปในวิตกวิจารนิ่นิ่งแล้วเรียกทุติยฌานไม่ขยับไปในปิตินิ่นิ่งแล้วเรียกตัตยฌานไม่ขยับไปในสุนิ่นิ่งแล้วเรียกจตุตฌานเพราะนั้นพู้เจ้าจะบัญญัติเรื่องอนุปพภะวิหารนิโรดนะอนุปพะนิโรดเนี่ยมีอะไรบ้างว่าเมื่อจิตเนี่ย นิ่งไปขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรจะดับไปบ้างอะไรดับอะไรดับอะไรดับอะไรดับไล่ไปเรื่อยๆนี่ความนิ่งเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจิตไม่ขยับเลยยมจะนั่งถึงสมาธิระดับที่ห้าหกเจ็ดจิตก็ยังมีการขยับอยู่แต่ไม่ขยับไปในธรรมะส่วนหยาบดังที่พูุทธเจ้าบอกว่ามันจะดับดับดับไล่ไปเรื่อยอย่างนี้นะอืม อันนี้แหละต้องทำความแยกคายมากนะนักปฏิบัติรวมทั้งพระเข้าใจผิดเรื่องนี้กันมากๆเลยนะนั้นถ้าไม่ได้ตรวจสอบกับพุทธวชชาเนี่ยเยิมมันจะไปนอกทางเยอะมากพู้เจ้าจึงบอกภิกษุที่ไม่ศึกษาคำศาสดาเธอจะบอกสอนพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวเพราะธรรมะมันละเอียดมากนะ จิตปล่อยก็คือเมื่อเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยผู้เจ้าก็บอกให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีก็คืออย่าไปเป็นความตั้งมั่นเสเองให้เข้าไปเฝ้าดูให้ดีนี่ก็จิตปล่อยจางคลายสลัดคืนเวลาจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยในที่สุดจิตก็จะดับก่อนดับเนี่ยมันจะจางคลายและนิโรธคือดับเมื่อดับแล้วเนี่ยผู้เจ้าให้สลัดคืนคือให้ปล่อยวางปฏินิสักะการปล่อยวาง ย่อมต้องสั่งสมปฏินิสขะการปล่อยวางไม่อยากได้ไม่อยากได้ ไ, ไ, ดไปเลยๆจนกระทั่งณจุดจุดหนึ่งก็คือโวตสักคะไม่เอายนทิ้งหมดอย่างนี้นะขณะรูร้ลมหายใจนั้นกายเกิดอาการเหน็บชาคันจิตก็เพลอไปรู้กับอาการเหล่านั้นระยะหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นนันทิอย่างหนึ่งหรือไม่และควรจัดการอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับการแผ่เมตตาไว้หรือไม่อย่างไรและการนั่งสมาธิจะต้องแผ่เมตตาหรือไม่ในปัจจุบันเห็นงานศพจัดขึ้นอย่างแตกต่างหลากหลายจึงอยากทราบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องศพเรืองงานศพไว้บ้างหรือไม่อย่างไรครับงานศพเนี่ยไม่ได้มีบัญญัติเอาไว้ไม่มีนะพระไม่มีหน้าที่ไป ยุ่งเกี่ยวกับงานศพอะไรนะก็ถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับงานศพก็คือนิมนต์ไปแสดงธรรมเนี่ยได้เมื่อมีคนมาประชุมกันแล้วเนี่ยพระศาสดาให้ทำอะไรให้ทากิจสองอย่างหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรมกล่าวธรรมะหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนั้นเมื่อย่าี่น้องยอมมารวมกันแล้ว ในงานศพที่โยมจะเผาอาจจะจัดเผาโดยเทศบาลหรือใครหรืออะไรก็ได้โยมก็นิมนต์พระมาเพื่อมาให้ธรรมะและเพื่อมานั่งนิ่งอย่างพระอาลีเจ้าทําสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับญาติผู้ล่วมรับแต่ถ้าโยมไม่ได้ทําอย่างนี้ตกลงแล้วก็ไปนั่งทําอะไรก็ไม่รู้หลายคนเขียนจดหมายร้องเรียนขึ้นไป บอกว่างานศพไม่มีประโยชน์เสียเวลาเสียน้ำมันนะ <c oughs> เป็นเหมือนงานเลี้ยงรุ่นมาประชุมกันเฮฮากันฟังสวดไปก็คุยกันไปนะถึงเวลาก็กินกินเสร็จแยกย้ายกันกลับ <c oughs> ทางพระเขาได้รับนหะนังสือร้องเรียนเขาเลยสั่งมาว่าให้พระทุกวัดมีการแสดงธรรมนะก็จะได้ได้ประโยชน์บ้าง จริงๆมันควรจะมีแค่นี้แหละในงานศพถ้าเราเดินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยศพมาแล้วพระเจ้าให้ทำยังไงตัวอย่างของพายะพระเจ้าให้เอาไปเผาแล้วสร้างเจดีย์สาวกถามว่าทำไมต้องสร้างเจดีย์บอกพายะปรินิพานแล้วบุคคลผู้สมควรทาเจดีย์หนึ่งอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าพระปัจเจกุจเจ้าพระอรหันตพระมหาจากักรพรรษ นอกนั้นไม่ต้องสร้างเจดีย์โยมก็เอากระดูกไปสลายได้เลยจบไปอย่างนี้นเนี่ยหลักการแค่เนี้ยเราต้องสังเกตในสิ่งที่ศาสนาเราบัญญัติแล้วก็เดินตามง่ายๆโยมลองดูสิบวัดร้อยวัดก็สวดไม่เหมือนกันวันวนวดนี้สวดที่นี้วัดนี้สวดนี้เพราะผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติต่างคนต่างก็คิดกันขึ้นมาเองว่าเอ้ฉันจะสวดอะไรดีว่าวัดเราใช่ไหมอ่าก็สวดปลาสวดไปโยมก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างใช่ไหม เสียประโยชน์เสียเวลาค่อนข้างมากสู้เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาแสดงถามปั๊บโยมมาเนี่ยรวมกันเข้าใจธรรมะแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิจบแล้วแค่นี้นง่ายๆไม่ต้องอะไรนะถวายกันเทีไม่มีไม่มีทำกันเองเยอย่างน่ะใช่ใชพระก็อบาบัดอยู่แล้ว นอะืมอันเนี้ยมันเราต้องถ้าเรานําได้เราเป็นผู้นําปั๊บเนี่ยเรานําได้นะเราตกลงกับวัดได้ว่าเราขอทําอย่างนี้ทันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราเราต้องการทําตามพุทธบัญญัติใช่ไหมมีเหตุผลศา ส, สดาสอนแค่นี้อย่างเนี้ยเราก็ง่ายด้วยงานสบยมก็ไม่มีอะไรมากเรียบเรียบนะดูท่านผู้ทาท์ ท่านตายท่านก็ไม่มีอะไรใส่ในโรงก่อฟืนเผานะก็จบเสร็จเรียบร้อยนะเอากระดูกไปสลายในน้ำในอากาศไปก็จบละไม่มีอะไรเรียบง่ายนะไม่ต้องก่อเจดงเจดีอะไรอยู่กลางป่านะเอาฟืนมากองกองกอ ง, องเสร็จเอาตัวใส่เข้าไปในโรง ใส่ลางน้ำมันเข้าไปจุดไฟเผาเสร็จแล้วแค่นี้เองนั่นน่ะแต่มาว่าท่านทำเป็นตัวอย่างได้สุดยอดเลยดีมากเลยง่ายสุดมาประชุมกันก็มาฟังทมคนที่มาในงานศบก็มาฟังธรรมะนั่งสมาธิทำแค่นี้ไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการแผ่เมตตา บทแผ่เมตตาที่แต่งขึ้นนะทุกวันนี้ก็เป็นบทที่แต่งขึ้นนะโดยสาวกแล้วก็แต่งไปแต่งมาก็แต่งผิดด้วยแต่งขัดกับพระาศาสดาบทอมีนานะแผ่เมตตาปวดน้ําอะไรก็บอกว่าแผลให้สัตว์มีขันขันเดียวมีขันสีขันมีขันห้าขันขันขันเดียวมีไม่ได้เห็นไหมมันแต่งเกินนะความไม่ใช่สัพพัญญูความไม่สามารถกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดมันหลุด พระศาสดาบอกว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้มีไม่ได้งั้นขันขันเดียวมีไม่ได้เยอะในขันห้าเนี่ยจะมีขันขันเดียวมีไม่ได้วิญญาณหรือจิตจะเป็นผู้ที่เข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวชนาสัญญาสังการสี่ธาตุ อย่างน้อยที่สุดต้องมีสองขันคือมีผู้รู้กับมีสิ่งที่ถูกรู้ทำงานด้วยกันแต่จะเป็นขันไหนเท่านั้นไม่มีขันเดียวไม่มีนะขันเดียวไม่มีเห็นไหมแล้วทีนี้โยมจะทจะเชื่อได้ยังไงไอสิ่งที่คนแต่งใหม่แล้วมันจะไม่เราจะชี้ไปได้ไหมว่าบทปัญชนะนี่ผิดนี่ผิดนี่ผิดเราก็ไม่ใช่สัปปัญิูที่จะไปชี้เพียงแต่พอเจอตรงไหนที่ขัดกับพุทธเจ้าก็จะบอกว่าโอ้ตรงนี้ผิด การแต่งใหม่จึงมีข้อผิดอยู่ตลอดเวลาแฝงอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเหตุให้เราเมื่อฟังแล้วเราคิดว่านี่จริงนี่ใช่ก็เลยมาสับสนแล้วก็จะทำให้ <c oughs> โยงธรรมะไม่ได้นะผู้เจ้าจึงบอกถ้าเธอไปศึกษาคำสาวกหรือคำที่แต่งใหม่เธอไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ผู้เจ้ายืนยันเลย มันจะติดอยู่นั้นมันแหมเหมือนจะทะลุแล้วมันติดติดติดเอ๊เหมือนต่อภาพอ่ะนะถ้าลอยต่อมันเอาจากโครที่ครมันต่อไม่ลงมันต่อไม่ลงนะหลักการเดียวกันเลยเมีหมดเยอะอนะพเจ้าระบุไปจนถึงมดดำมดแดงนะ เล็กมากกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ระบุระบุแค่เนี้ยนะอืมอย่างที่ระบุตรงนี้คือให้พิสูจนเนี่ยระวังระวังไม่ให้ไปเบียดเบียนสัตว์แม้จะตัวเล็กๆอย่างนี้นะมีจิตวิญญาณหมดการนั่งสมาธิต้องแผ่เมตตาหรือไม่แผ่ก็ดีไม่แผ่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ ตลอดทั้งชีวิตยโยมไม่แผ่เมตตาก็ไม่ได้บาปกรรมอะไรนะแต่ถ้าทําก็จะได้ประโยชน์อ น, นิสงส์การแผ่เมตตา11ประการรวมไว้ให้นะผู้เจ้าบอกกลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่ลัก์ของพวกมนุษย์เป็นที่ลักษของพวกอมนุษย์เทพพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาตาก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นฮนะ จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำการละเนี่ยถ้ายังไม่บรรลุก็ไปเกิดในพรหมโลกอันนี้สงสีิบเอ็ดประการของการแผ่เมตตามีประโยชน์อยู่รู้ลมหายใจแล้วเกิดเหน็บชาคันจิตเผอไปรู้กับอาการเหล่านั้นระยะหนึ่งเรียกว่าเป็นนันทิไหมนันทินะไม่ใช่นันทะนันทิอืม ก็เป็นอยู่นะก็หลุดไปเพลินไปล้วก็ละซะการแผ่เมตตามีจริงหรือไม่ครับการแผ่เมตตา ม, ม, มีมีมาก่อนพระศาสดาอีกนะเรื่องของการแผ่เมตตามีมาตั้งแต่พวกฤาษีโยคียแล้วพวกพรหมอะไรเนี่ยที่เขาไปกันได้เพราะเขาเจริญเมตตาภาวนานะเขาถึงไปเป็นพรหมได้ ผู้เจ้ายังถามปาริภาชคหลายหลายพวกที่ไม่รู้จักพรมบอกเธอรู้จักพรมไหมแล้วเธอรู้จักทางไปไปสู่พรมไหมไม่มีใครรู้จักจํานวนมากผู้เจ้าก็บอกให้ว่าทางไปสู่พรมนั้นคือการเจริญเมตตาภาวนาเจริญเมตตากรุณามุ้ที่ดาวเบกขานะบัญญัติเรื่องพรมไว้ว่ามีกี่ระดับกี่ชั้นอะไรบ้างคุณสมบัติอายุเท่าไหร่เท่าไหร่จะบอกไว้หมด นนั่งสมาธิทุกครั้งควรจะสวดมนต์บทไหนก่อนหรือว่านั่งได้เลยจะได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่บ้านมีญาติที่ยังไม่ใฝ่ทางธรรมพระจ้ามีอุบายในการจงใจอย่างไรให้เขาหันมาทางธรรมขอพระจ้าได้โปรดแนะนำด้วยครับนั่งได้เลยโยไม่ต้องไปรอพิธีรีตองอะไรนะ ยอมอยู่ที่ทำงานก็นั่งได้จิตโยมตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจสำเร็จประโยชน์แล้วนะไม่ต้องมาคอยอ้าเราจะเริ่มรู้ลมหายใจนะต่อไปนะไปสวดโน้มนไม่ต้องทําเลยนะยมรักษาศีลเหมือนกันอยากรักษาศีลตั้งเจตนาปั๊บรักษาเลยทำเดี๋ยวนั้นก็ดีเดี๋ยวนั้นนะพระเจ้าไม่ได้บัญญัติต้องไปทำอะไรก่อน ส่วนญาติที่ยังไม่ได้ฝ่ายทางธรรมโยมก็ค่อยๆให้ความรู้เอาหนังสือเอาซีดีไปให้เขากายาณมิตรต้องพาไปฟังธรรมเราจะเป็นกายาณมิตรต้องพาเขาไปได้ยินได้ฟังธรรมะเขาจะเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาขอให้ได้สดับในธรรมะพระตถาคตซะก่อนแล้วได้ไม่ได้ดีไม่ดีค่อยว่ากันทีหลัง ลากเข้ามาฟังธรรมเสก่อนเห็นไหมผู้เจ้าสมัยเกิดเป็นพราหมณ์ <c oughs> ก็เกิดในยุคพผู้เจ้าอีกองค์หนึ่งก็อยากจะให้เพื่อนตัวเองเนี่ยไปฟังธรรมพระผู้เจ้าชวนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปก็เลยจิกมวยผมเลยนะพรามณ์ีคนว่าโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายขนาด น, น, นี้เลยเหรอเอางั้นไปก็ไปนะอ่านี่ต้องให้เขาพาเข้ามาให้เขาได้ยินได้ฟังธรรม ประโยชน์ของกาลยานมิตรคือเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมะนะนี่คือประโยชน์คำถามสองข้อถัดไปคล้ายกันนะครับการทำวัดเช้าเย็นมีในพุทธบัญญัติหรือไม่และบทสวดวัดเช้าวัดเย็นมีกำหนดในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไรครับ ทำวัดเช้าเย็นไม่มีในพุทธวจนะนะพระเจ้าไม่เคยบัญญัติทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะย่มลองหาดูได้นะอันนี้มาบัญญัติกันทีหลังบัญญัติกันจนว่าเออเป็นกิจของสงฆ์ต้องทำนะพระต้องลงทําวัดเช้าลงทําวัดเย็นนะครูอาจารย์ก็พูดตามตามกันไปแต่ไม่ได้พูดตามศาสนาตัวเองพูดตามที่ใครแต่งใหม่ก็ไม่รู้นะที่วัดอาตมาก็ไม่ได้มีทําวัดเช้าทํำวัดเย็น นะหลายหลายวัดก็ไม่มีทำวัดเช้าทำวัดเย็นแต่เขาไม่ได้ทำวัดเช้าเย็นเขาไม่มีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารู้พุทธบัญญัตินะแต่เขาไม่อยากทำนะซึ่งการไม่อยากทาก็จะมีหลายแบบหนึ่งไม่รักษาข้อวัดที่ครูอาจารย์ตัวเองเคยทําหรือสองเขาต้องการให้ พระได้ภาวนามีเวลาภาวนามากไม่อยากให้มีข้อวัดกระจุกกระจิกอะไรมากอย่างวัดของพระที่ออสเตรเลียก็ไม่มีทำรรวัดเช้าเย็นพระที่วัดที่ชนบุรีอยู่วัดหนึ่งก็ไม่มีทำวัดเช้าเย็นวัดหลงตามหาบัวก็ไม่ทําวัดเช้าเย็ น, นเห็นนะเดีย๋ยไม่รู้เคยทราบหรือเปล่าเพวัะ น, นั้นจะมีหลายวัดที่ทําหลายวัดที่ไม่ทําตกลงแล้วศา ส, สดาบัญญัติอย่างไร ศา ส, สดาบัญญัติไม้มธรรมะเช้าเย็นไม่มีนะผู้เจ้าบัญญัติชีวิตของพระเนี่ยหนึ่งวงรอบยี่บสี่ชั่วโมงทำอย่างไรพระองค์บอกว่าหลังฉันแล้วให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีทํำยังไงนอนก่อนนอนบอกไหมทําวัดก่อนนอนนะทําวัดเย็นนะไม่มีนะยามสามตื่นตื่นแล้วทําอะไรชําระจิตให้หมดจดสิ้นเชิญ จากอาวารณนิยธรรมแล้วเดินสลับนั่งมาจนทั้งเชา้ามีไหมทวาวัดเช้าไม่มีเห็นไนมะไม่มีเลยหาไม่เจอการสาธยายธรรมที่เราเรียกสวดมนต์เนี่ยผู้เจ้าเรียกสาธยายธรรมบาลีใช้คำว่าสัจชายะโยมอาจจะเคยได้ยินคำว่าสังวัทยายคำว่าสังวัทยายที่ว่าสังวัทยายพระตบิดก ไม่ใช่คำบาลีไม่ใช่คำพระศาสดาเป็นคำสันสกฤตคำของภาษาอื่นที่แต่งขึ้นนะภาษาที่ถูกต้องใช้คำว่าสัจชายะแปลว่าสาธยายธรรมคือปากเี่พูดธรรมพระศาสดาออกมาด้วยวาจาอย่างนี้จะทำเวลาเช้าเย็นเที่ยงคืนกลางวันได้ทั้งหมดแล้วแต่เราสะดวกนะเพราะไม่ไม่ได้มีบัญญัติเรื่องระยะเวล า, าไว ส่วนเนื้อหาธรรมบัตรเช้าเย็นก็ไม่ได้มีเหมือนกันคำศาสดาทั้งหมดดีหมดโยมจำได้หมดก็ดีหมดนะใครจำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นบทเดียวก็ได้อย่างน้อยที่สุดพู้เจ้าบอกขอแม้เพียงหนึ่งบทนะเช่นละนันทิอนาปานาสติหรือสติจำคำเดียวก็ได้หรือไม่เที่ยงคำเดียวก็ได้ได้หมดนะหลุดพ้นได้ทั้งนั้น คำว่าพุทธทํานายมีการกล่าวถึงหรือไม่อย่างไรอาภัมมจริยาในสีแปดและการเมซุมิชาในศีห้าต่างกันอย่างไรเวลาแผ่เมตตาแผ่ให้เจ้ากรรนายเวรหรืออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรถูกต้องหรือไม่ครับพุทธทํานายในพุทธพยากรณ์เนี่ย พระศาสดาเนี่ยพยากรไว้ยอยู่เยอะพอสมควรแต่พุทธพยากรที่ติดตามวัดต่างๆเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นเยอะปัญหามันคือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรื่องความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอะไรนี่อันนี้แต่งขึ้นเกี่ยวทั้งนั้นเลยนะมันอยู่ในอถัถกถานะแต่ไม่ได้อยู่ในส่วนพุทธวจนะนะเรื่องมิลินถ้าปัญหาอะไรนี่เราก็ยกออกมากันเยอะแยะไปหมดเลย มิลินท์ถ้าปัญหาเกิดหลังผู้ย่าปริธิาพานต้องประมาณ4ี่ร้อยปีนะแต่เราก็เอามาเรียนมาสอนมาศึกษากันมาพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้องไปสนใจเลยเรื่องพวกนี้นะสนใจแต่คำศาสดาล้วนๆตัวอย่างของการทำนายพยากรณ์เนี่ยอย่างเราก็ไปกังวลเอ๊สองนหนึ่งสองโลกมันจะแตกหรือเปล่านาะนะ ถ้ายมไปอ่านพุทธวจนะมันจะหมดปัญหาไปเลยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าอีกหลายแสนปีเนี่ยจะมียุคฝนแรงตั้งแต่สมัยพระุทธเจ้าพยากรณ์ผ่านมานี่สองพันหร้อยกว่าปียังเหลือต้องหลายแสนปียมเกิดตายอีกหลายร้อยรอบนะไม่พังง่ายโลกไม่พังง่ายอืมและหลังจากฝนแรงต้นไม้ต้นไม้นเนี่ยตายกันหมดทั้งโลกแล้วเนี่ย ถ้าองค์บอกอีกการนานไกลแสดงว่าเลยหลายแสนปีจนคำนวณเป็นตัวเลขไม่ได้จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นนี่บอกโลกร้อนอย่างร้อนไม่พอนั้นเนี่ยยังมีร้อนกว่า น, นี้อีกนะผู้ห้วยน้องคลองบึงเนี่ยจะเหือดแห้งนะจากนั้นอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะปรากฏ อันนี้แม่น้ำจะเหือดแห้งและอีกการนานกลายดวงอาทิตย์ดวงที่4จะปรากฏมหาสะทั้งหลายอันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำจะเหือดแห้งและอีกการนานกลายดวงอาทิตย์ดวงที่5จะปรากฏทะาเลจะเหือดแห้งนะหรือเท่ารอยเท้าหรือเท่าองคุลีค่อยลดลงลดลงลดล ง, ลดลงนะยุคนั้นคงแปลกนะโยมเนาะ เราคงเห็นใต้ท้องทะเลมันค่อยๆหมดไปนะเห็นสัตว์ในทะเลและพระองค์บอกอีกการนานกลายดวงทิศดวงที่หกจะปรากฏอันนี้แผ่นดินจะเริ่มละอุนะูและอีกการนานกลายดวงทิ่ดวงที่เจ็ดจะปรากฏมหาปัตตพีจะละลายพระเจ้าบอกใครจะรู้ได้ว่ามหาปัตพีอันใหญ่หลวงนี้จะละลายไปได้นอกจากผู้มีบทอันเห็นแล้วคือมียานอย่งรู้ที่เห็นแล้ว เนี่ยลักษณะการพยากรหรือพยากรตั้งแต่ว่าเดิมถอยไป9กดกับมนุษย์จะมีอายุ8ปด0 0 0 0นปีนะและผิดศิลธรรมนะศิลห้าเนี่ยผิดมาเรื่อยๆมนุษย์ก็อายุลดลงลดลงลดลงลดลงลดล ง, ลดลงมาจนกระทั่งมาถึงยุคมนุษย์อายุร้อยปีผู้เจ้าเราก็มาตัดสู้จากนั้นเนี่ยมนุษย์จะอายุลดลงไปอีกเหลือสิปีนะในยุค10ปีนี้มีเครื่องสังเกตคือ ผู้หญิงอายุห้าปีจะมีบุตรแล้วตอนเนี้ยล่าสุดในอินเดียมันประมาณเก้าขวบมีลูกแล้วมันกำลังลงไปเรื่อยๆนะลงไปลงไปลงไปยมติดตามข่าวดูดีๆแล้วกันเดี๋ยวมันจะเริ่มลงไปอีกน ะ, ะมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้าอาตมาก็มาประเมินเอาเฉยๆว่าไอ้พวก GMO ทั้งหลายเนี่ยนะ ดัดแปลงพันธุกรรมดัดไปดัดมาพอดีอาหารหมดโลกนะองุนไม่มีเม็ดบ้างอะไรบ้างต้องซื้อจากโรงงานฉันโรงงานเดียวถ้าโรงงานมันระเบิดก็อาหารผลิตไม่ทันทั้งโลกอ่ะนะกินกันญ้าละกันนะเหลือแต่ญ่านะครูเจ้าบอกจะกินอาหารประเภทญ้ามนุษย์เอ่อทุกคนจะฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันนะอาตมาก็มัน พิจารณาเองอีกว่าให้พวกโคลนนิ่งอนะอืโยมอีกหน่อยมันต้องมีโคลนนิ่งมนุษย์นะที่มันห้ามทําห้ามทำมันต้องมีคนแอบทำนะอแต่ก่อนห้ามทํากษัตริย์โพโ่มาข่าวมาแล้วอาแกะเหมือนการจัดการซะแล้วอีกหน่อยนะวันดีคืนดีโพล่มานี่ไงนะมนุษย์โคลนนิ่งเรียบร้อยนะ ทีนี้โยมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั่งข้างๆเราเนี่ยมันตัวเราจริงหรือตัวไหนตัวปลอมเนะี่ยเอาละนะเดี๋ยวจะมีการฆ่ากันเกิดขึ้นละเองปลอมฆ่าจริงเองจริงฆ่าปลอมแล้วยมก็ตรวจไม่ได้ด้วยโอ้โหเนี่ยโลกมันจะวุ่นวายหมดเลยโยมนะเอาเถอะยุคเนี่ยมนุษย์จะเริ่มลนลงไปเหลือสิบปีนะผู้เจ้าจะบอกเครื่องวัดอีกเยอะมากเลยแล้วเสร็จแล้วจะบอกว่า จะเกิดการฆ่ากันตายตลอดเจ็วันมนุษย์ทั้งโลกจะฆ่ากันหมดเลยอืมไม่ไว้ใจกันละเจ็ด ว, วันนี้จะฆ่ากันตลอดจะหลงเหลือมนุษย์ที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าไม่เข้าร่วมวงสันตตละกับคือการฆ่ากันตลอดเจ็ดวันจากนั้นก็จะเริ่มเห็นประโยชน์ของการมีศีลธรรมนะการมีกุลเชษฐาปจายานธรรมการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำ นี้เป็นกุศลอย่างหนึ่งเหมือนกันด้วยแม้การเคารพกันพ่อแม่พี่น้องผู้เจ้าบอกในยุคนั้นจะไม่มีคำว่าพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์ลุงป้านนะ้าอาไม่มีทุกคนจะเท่ากันหมดนะกูมึงเสมอกันหมดเลยไม่มีละเองข้ามาเคารพกราบไหว้อะไรไม่สนใจ น, นี่ยกุศลธรรมมันจะหายหมดหาความเป็นกุศลไม่ได้อาุศลธรรมจเจริญถึงขีดสุด ทีนี้ฆ่ากันเละทั้งโลกจากนั้นมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่จะมาฟื้นฟูสินธรรมขึ้นมาใหม่จนกระทั่งมนุษย์เนี่ยอายุยืนขึ้นยืนขึ้นจนถึงแปด0มืนปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยะจะมาตรัสลูในยุคนั้นนี่คือพุทธวจนะที่มีการพยากรณ์นะเป็นอย่างนี้เออ ในที่พยากรณ์กันนี้มันมั่วกันทั้งนั้นเลยโยมนี่นะอย่าไปสนใจนะในนี้จะมีอยู่ในบาลีสียงนทที่เป็นส่วนพุทธวจนะหรือถ้าโยมอยากหาเจอง่งายๆก็ในจักพระโอทฐาเล่มที่ท่านพุทธา ท, ทำไว้นะเป็นพุทธวจนะทั้งสิน้นอพรมามจาริยาในสิน8ปก็คือไม่เสพกามนะกามสุวิชาในสินห้าก็เสพกามได้มีครอบครัวได้ นะแต่ไม่ผิดลูกเมียนะคนอื่นแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าโยงคีย์ค ว, ว่าเจ้ากรรมนายเวรเข้าไปจะไม่เจอพระเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะบัญญัติเรื่องการผูกเวรสัตว์เนี่ยผูกเวรกันเนี่ยทำยังไงนะถ้าเราไม่ไม่ละนะไม่เลิกการอาฆาตพยาบาทการผูกเวรการจองเวรก็มีกันต่อไป อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรถูกหรือไม่ผู้เจ้าให้ให้อุทิศให้แก่บิดามารดาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับนะให้แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณนะหลักการผู้เจ้าแค่นี้นะบุญอันเกิดจากอนุโมทนาจะได้รับไหมายขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคำว่าอนุโมทนาครับ อนุโมทนาเช็คอีกคีย์เข้าไปคำนี้มีไหมในพุทธวศนะก็มีอยู่นะ อ, อ, อนุโมทนาก็คือการการชื่น ช, ชมยินดีในความดีที่เขาได้ทำเนะีนะ่ยเหมือนลักษณะมุทิตาจิตนะตัวอนุโมทนาได้รับบุญไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าได้ โยมกำลังทำบุญขวนขวายในกิจการบุญอันหนึง่งโยมก็จะได้บุญมีผู้มาร่วมขวนขวายในกิจการงานบุญนั้นของโยมเนี่ยคนที่ร่วมเนี่ยได้บุญด้วยไหมผู้เจ้าบอกได้แล้วบุญของโยมเนี่ยที่เกิดจากการที่คนอื่นมาร่วมด้วยเนี่ยบุญโยมเนี่ยเสียหรือบอกพร่องไปไหมผู้เจ้าบอกไม่บกพร่อง แล้วคนที่เห็นแล้วอนุโมทนาเนี่ยได้บุญไหมพุทธเจ้าบอกได้เขาอนุโมทนาบุญของเราบุญเราบอกร่างไม้พุทธเจ้าบอกบุญเราไม่บกคล้องนี่หลักการเป็นอย่างนี้นะจะมีบอกอธิบายไว้หมดจะอยู่ในบทอนุโมทนาที่ภิกษุใช้อย่างบทยะถาวาลิวาหาทิยมินอันนี้ก็แต่งขึ้นนะนั้นที่วัดก็เลิกสวดบทนี้และเราจะสวดบท ที่ผู้เจ้าบัญญัติขึ้นประมาณ8บทน ะ, ะ, ะก็จะใช้สักสองบทใช้2บทนี้ที่ซ้ํากับที่พระเขายุคนี้ใช้กันนะก็จะมีเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ทั้งคำผู้เจ้าใช้ทั้งคำที่แต่งเราก็จะเอาคํำผู้เจ้าที่เขาใช้เนี่ยมาร่วมด้วยนะเพื่อที่จ ะ, ะได้เหมือนกันหน่อยสักส่วนหนึ่ง มีอนุโมทนามียาิที่ชะตาชีวิตตกต่ำตกงามีปัญหาครอบครัวทั้งที่เขาเป็นคนดีสุโมทไหว้พระใสายบัทเป็นประจำพระอาจารย์แนะได้แนะนำให้ทำสีอย่างขอความเมตตาแนะนำอีกครั้งเพื่อจะได้จดจำไปบอกให้เขาปฏิบัติครับอสี่อย่างนะหนึ่งเป็นผู้บริบูรณ์ในสินคารวสาก็สินห้า อย่างที่สองไม่เหินห่างจากฌานคําว่าไม่เหินห่างจากฌานเนี่ยพระศาสดาเนี่ยบัญญัติไว้ในอีกสูตรหนึ่งคือไหลไม่เหินห่างจากฌานบอกถ้าภิกษุจจเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมาลัดแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินธบาตของชาวแว่นแวล้นเปล่าจะป่วยกล่าวปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านั่นคือแค่โยมสละเวลาแค่ชั่วลัดนิ้วมือมารู้ลมหายใจเข้าออกอุญญาบอกเธอกำลังไม่เห็นทางจากฌานแล้วนะยิ่งมากยิ่งดีก็คือมาเจริญนาณ า, าปานะนี่อย่างที่สองอย่างที่สามประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา วิปัสนาคืออะไรวิปัสนาคือปัญญาเครื่องวัดปัญญาคืออะไรเจ้าบัญญิเครื่องวัดศรัทธาเครื่องวัดความเพียรเครื่องวัดสมาธิเครื่องวัดปัญญาเครื่องวัดปัญญาคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปแค่นี้เองเป็นเครื่องวัดปัญญาจบแล้วไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะนี่คือเครื่องวัดปัญญา การเข้าไปเห็นสัตจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะอย่างที่สี่ให้สุญญาคลาวัตงอกงามนะเรือนว่างโคนไม้เรือนว่างท้องถ้ำเชือเนื้อผาป่าช้าป่าชา้ า, ชาที่แจ้งลอมฟางเราไม่ได้ไปป่าไปเขาก็ไปเรือนว่างบ้านเราเองนี่แหละเรือนว่างสบายสบายเนาะ หรือถ้ายมหาที่ไม่ได้ก็ให้วิเวกในจิตนะถึงแม้จะอยู่เกลือนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหามาดแต่ถ้าสามารถตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าผู้นั้นมีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะใช่ได้สี่อย่างนี้อ่า ภิกษุณียังมีอยู่ไหมก็ต้องถามว่าใครบอกว่าหมดไปพระผู้เจ้าบัญญัติไว้เรื่องภิกษุณีบัญญัติแล้วใช้ได้ตลอดการไม่เคยมีบัญญัติอะไรใช้ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวนะธรรมพุทธาอักกาลิโกเราไปบัญญัติกันเนงว่าภิกษุณีไม่มีถามว่าเป็นคาพูดของใครของอรมมรถธรมสมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเห็นนะอืมมีใคร สำรวจป่าทั่วโลกว่าไม่มีพิสุนีอีกแล้วมีใครกล้ายืนยันได้ไม่มีมีใครกล้ายืนยันว่าสองพันหนรอกว่าปีไม่มีการสืบทอดพิสุนีมาไม่มีใครไปสำรวจทั่วโลกอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าปัจจุบันพิษุนีประพฤติปฏิบัติตามขรุขรมแปดประการที่พระเจ้าบัญญัติปฏิบัติตามศินวินัยที่พระเจ้าบัญญัติ ก็สมบูรณ์ในความเป็นภิกษุณีไม่มีอะไรนะบทในสงฆ์สองฝ่ายบทจากภิกษุณีสงฆ์บทในพิสูจสงฆ์ภิกษุณีแม้บวชร้อยพรรษาก็ต้องกราบไหว้พิสูจน์แม้บวชในวันนั้นเนะขารู้ธรรม8ประการที่บัญญัติกับนางประชาพอดีมีสิกขาบทของพระที่จะต้องเกี่ยวข้องกับภิกษุณีอย่างไรซึ่งสิกขาบทของพระที่ต้องเกี่ยวข้องกับภิกษุณีก็ต้องใช้ไปได้ตลอดการอายุพระาศาสนา เราไปบัญญัติกันเองไปห้ามกันเองทั้งนั้นเลยนะไม่ได้มีพุทธัจนะอาตมาก็ไม่ได้ชอบให้มีภิกษุณีแต่หาเหตุแย้งพระพุทธเจ้าไม่ได้นะก็ไม่รู้จะแย้งยังไงพรพุทธเจ้าห้ามนางประชาบดีสามหลห้ามพระนนทรสามหลพระนนตออกอุบายนะพุทธเจ้าอัตกะถาก็บอกแหมพระพุทธเจ้าจนอุบายพระนนต ผู้เจ้าระดับสัพพัญยูไม่มาจนโสดาบันหลอกเยืมแต่เป็นการวางหมากของผู้เจ้าปฏิเสธนางประชาปีปฏิเสธผ้า non ผ้าน o ต้องหัววิ่งจีเล ย, เยจะทํำยังไงนะจะช่วยนางประชาปีให้ได้นั่นแหละเข้าล็อกผู้เจ้านะผ้านน n ก็เลยถามว่าถ้าสตรีออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตในพุทธศาสนาจะบรรลุปเป็นโสดาสกิทาคานาคาผลันได้หรือไม่ผู้เจ้าบอกได้ ในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกได้สแสดงว่าเป็นตัวยืนยันอะไรยืนยันว่าสตรีเนี่ยเป็นอริบุคคลได้ทุกระดับเห็นไหมได้จากการบัญญัติเราต้องได้ความรู้จากการบัญญัติของศาสด า, า, าตัวนี้เข้าใจไหมพระพุทธเจ้าจะหาช่องหาทางนี้ที่จะบัญญัติอะไรพระพุทธเจ้าจะวางเหตุวางหมากวางหมากวางหมากเห็นไหมนั้นโยมถ้าเคยได้ยินจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่า พระองค์อยากจะบัญญัติอะไรก็มีทั้งตอบทั้งไม่ตอบทั้งสร้างเหตุนี้สร้างเหตุนี้มาเพื่อให้ได้บัญญัติผู้เจ้าสุดยอดเยียวไม่มีจนใครแน่นอนปริพาชคทั้งหลายก็ไม่เคยจนผู้เจ้าไม่เคยจนแต้มยิ่งลูกสิทธิ์ตัวเองสาวกตัวเองจะมาจนก้งนเป็นฐานะที่เป็นไปนไม่ได้แล้วก็ <c oughs> จากนั้นเนี่ยผู้เจ้าก็จึง ได้ช่องในการบัญญัติขรุธรรมแปดประการถ้านางประชาบดีมาขอทีแรกผู้อนุญาตเลยจะบัญญัติขรุธรรมไปประการออกมาได้ยังไงเดี๋ยวก็หาว่าผู้เจ้าเนี่ยตั้งแง่ตั้งมุมกีดกันโอ้โหไม่ได้ต้องกันไว้ก่อนนะจนห้ามจนานางประชาบดีนี่มีความอยากเต็มที่แล้วตั้งกฎเหล็กขนาดไหนก็ตามเอาไปยื่นให้บอกนางประชาบดีรับได้ไหม รับได้เพราะอยากเต็มที่แล้วอยากเป็นภิกษุณีนะยอมหมดเลยยากแค่ไหนก็ยอมเห็นนะผู้เจ้ารู้เชิงผู้หญิงเงียบโยมโอ้ไม่ได้หรอกถ้าอนุญาตง่ายๆนะเสร็จเลยเสร็จเลยนะและการมีสตรีเข้ามาบวชในธรรมวินัยเนี่ยถ้าไม่มีคุรุธรรมแปดประการมันเป็นเหตุให้อายุพระศาสนานสั้นลงในเมื่อผู้เจ้ารู้แล้วว่า อันตรายมันเกิดขึ้นกับองค์กรของพระองค์แล้วพระองค์จะวางระบบป้องกันอย่างไรฉะนั้นผู้เจ้าเรามาบอกพระนรินที์หลังนี่นะพระนรินท์นนไม่รู้จักถามก่อนเองว่าอมีปัญหาอะไรเรื่องการมีภิกษณุณีถูกต้องไหมแต่พอมาบอกทีหลังอ่าสายไปลนะนะแต่ผู้เจ้าก็แก้ไปแล้วเช่นกันอ่าไม่พลาดอีกเหมือนกันพระองค์เปรียบเหมือนบอกอานนท์ทํานบน้ําเนี่ยมันพังลง การมีภิกษุณีเนี่ยมันทำให้ทานพเนี่ยมันพังไปแต่ผู้เจ้าเนี่ยบอกครูธรรมแปประการเนี่ยเป็นการสร้างทํานบใหม่กันขึ้นมาเจ่งไหมนั้นผู้เจ้าเนี่ยแก้หนแล้ววางหมากไว้เรียบร้อยหมดแล้วเราเนี่ยต้องเชื่อในภูมิปัญญาของสัพพัญญู ว, ว่าถ้าผู้เจ้าป้องการแก้ไขาไปแล้วนั่นคือสมบูรณ์แล้วอย่าไปนั่งกังวลเองอย่าไปนั่งคิดเองการนั้นนะนะ่ะนะเออเราก็มีไปนะมีก็มีไป แต่ขอให้ทําตามบัญญัติศาสดาทุกวันนี้ภิกษุณีที่มีอยู่เนี่ยยังไม่ได้ทําตามคลุธรรมแปดประการอย่างถูกต้องเลยเยอะเราให้ภิกษุณีทําตรงนี้ดีกว่าที่มีอยู่เนี่ยภิกษุณีต้องอยู่จําพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุถามว่ามีภิกษุณีณนะวันนี้จําพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุไหมไม่มีสํานักตัวเองอืม มันก็ไม่แท้มันก็ไม่แท้นะแต่ท่านนี้ไม่แท้ก็ทําให้ท่านแท้ขึ้นมาได้ด้วยการที่ทําให้ท่านเนี่ยอยู่ในล่องในลอยที่ศาสดาบญัติหรืออย่างที่สองอีกอันที่เขาไม่ทํากันคือภิกษุณีต้องอยู่ฟังโอวาทของภิกษุทุกกึ่งเดือนทุกสองอาทิตย์เนี่ยภิกษุณีต้องขวนขวายมาฟังโอวาทของภิกษุไม่ใช่ง่ายเนาะแต่มีใครทำมั้ยไม่ค่อยเห็น เนะีเขาก็เป็นเจ้าสํานักเอกทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้ฟังโอวาทของพิสุรูปใจนะ <c oughs> นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางภิกษุณีไม่ให้ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนพิสุทุกกรณีเนะีเพราะฉะนั้นภิกษุณีไม่มีสิทธิ์ในการที่จะว่ากล่าวอบรบติดเตียนเพ่งโทษอะไรแก่พิสุทั้งสิน้นนะีและ จากวันนี้ไปเช่นเดียวกันอนุญาตให้ภิกษุเนี่ยอบรมสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวก็คือจัดระบบเซนิลิตี้ในองค์กรนั่นเองว่าภิกษุสูงสุดรองลงมาคือภิกษุณีรองลงมาคืออุบาสกรองลงมาคืออุบาสิกาอย่างนี้นะองค์กรท่านจะได้เป็นระบบแค่นั้นเองเดียร์พู้เจ้ากำลังจะวางระบบะ เรื่องพิสูนีก็ง่ายๆอย่างนี้ไม่ยากน้ําปาณะคืออะไรมีกําหนดช่วงเวลาดื่มทานหรือไม่ปัจจุบันเครื่องดื่มพวกน้ําอัดลมน้ําเขียวน้ําแดงนมถั่วเหลืองนมกล่องกวันตินผลมะตูมเป็นน้ําปาณะใช่หรือไม่ครับ อ, อันนี้ก็ถ้าเราได้ศึกษาเล่ม น, นี้แต่มาทำไม่ให้10กว่าปีแล้วยอมก็จะชั ในนี้เป็นวิในของปลาทั้งหมดน้ำปะนะอยู่ในส่วนของของกลืนล่วงลำคอของที่กลืนล่วงลำคอมนุษย์ลงไปได้เนี่ยผู้จ้าจะแบ่งสี่อย่างหนึ่งยาวการิก ค, คืออาหารนะเช้าชั่วเที่ยงเนี่ยอาหารปลาเนื้อนมนมเปรี้ยวนะสยามกาลิกก็คือพวกน้ำปะนะน้ำที่ได้จากผลไม้นะ ใบไม้รูปไม้ได้หมดอย่างที่สมสัตหาการลิกมีห้าอย่างเนยใสเนยข้นน้ำมันจากพืชจากสัตว์ก็ได้น้ำพึ่งน้ำอ้อยนะอย่างที่สี่ยาวชีวิกยาตลอดชีพส่วนของต้นไม้ทั้งหมดนะรากใบดอกเปลือกแกนผลนะอย่างยมดู สมัยอาตมาอยู่กับหลวงพ่อชาฉันอะไรฉันใบไม้ใบส้มลมใบโน้นใบนี้จิปาถาเอามาใสา่มาต้มกันนั่นน่ะเอามาจากอะไรเอามาจากวินัยข้อนี้นะ่ะยาวชีวิกใบนะก็รวมจิปาถานะใบสะเดาใบจิปาถาอะไรดอกเดืกใบไม้ใส่ลงไปนะตั้งไฟต้มนะใส่เกลือ น้ำปลามันเป็นมาจากปลาไม่ได้ก็ใส่เกลือนะใส่พริกใส่ไรเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะ่ <laughs> นะก็เป็นยาวชีวิคนะภาษาเขาพูดกันเล่นๆ น, นะในวงการก็เรียกยาร้อนยาล้อนออน่นะถ้าโยมเคยไปวัดป่าก็ว่าเอายาล้อนมาละนะ อ, อย่างนี้ก็ค <laughs> ือเอามาจากบทบัญญัติตรงนี้แค่นั้นเอง ง่ายๆส่วนน้ำปานาเนี่ยที่โยมบอกน้ำปานาของผู้เจ้าคือน้ำที่คั้นจับผลไม้แต่ถ้าโยมไปวัดวัดป่าทั่วๆไปเขาจะบอกน้ำใหญ่กว่าผลมะตูมฉันไม่ได้อันนี้ก็แต่งขึ้นอีกเหมือนกันมหาผลไม่มีในพุทธวจนะแต่งขึ้นเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี่เองเห็นไหมแล้วก็มาใช้กันจนยึดถือกันเข้งคัดแข้งเครียดนะว่า ไม่ได้นะน้ำสับ ป, ปะรดน้ำแตงโมน้ำมะพร้าวไม่ได้อะไรจริงๆได้หมดผู้เจ้าบัญญตัติน้ำผลไม้ทุกชนิดฉันได้หมดอ่ตกลงแล้วจะเชื่อใครเชื่ออาจารย์ฉันหรือเชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระเริ่มงงแล้วนะไอสังอ่งเคารพอาจารย์ก็ต้องเคารพเอ๊ะผู้เจ้าก็สูงเอ๊ะจะตกลงแล้วจะเคารพใครนี่ยพระเริ่มงงเองนะมันเป็นอย่างนี้อยู่อะมทีนี้ที่โยมเขียนมาน้ำอัดลมน้ำเขียวน้ำแดง น้ำมันลมมันทำมาจากอะไรล่ะโยมต้องดูส่วนประกอบ น, น้ำตาล น, นะเป็นซาตาการิก็ฉันได้นอกการ น, น้ำบวกน้ำตาลใส่เข้าไปฉันได้นมถั่วเหลืองโยมให้คนสิบคนไปซื้อนมถั่วเหลืองโยมคิดว่าได้มาเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไอ้สิบปลามันก็ทานมถั่วเหลืองไม่เหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นถ้านมถั่วเหลืองจริงๆที่ฉันได้ก็คือมเมล็ดบดผสมน้ำได้ เพียวๆแค่นี้ยจบนะแต่นมถั่วเหลืองทุกวันนี้มันใส่นมผงใส่นู่นจุกกะจุกกะจิกลูกเตือยอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะมันต้องดูส่วนประกอบอันนั้นก็คือต้องแยกเป็นเรื่องๆไปน้ำเต้าหู้ก็ต้องถามว่าทําจากอะไรเนี่ยถ้าถั่วเหลืองเพียวๆก็ได้นะต้องเพียวอย่างเนี้ยถ้าเราทําเองเนี่ยเรารู้ว่ามันเพียวผสมน้ําอย่างเดียว ราะเมล็ดลากใบดอกผู้เจ้าอนุญาตให้ฉันได้หมดนะนมกล่องนมอะไรละ่ะนมบัวนมควายนมแพะนมแกะไม่ได้ผู้เจ้าไม่ให้นมจัดเป็นอาหารนมเปรี้ยวเนี่ยนมเปี้ยก็เป็นอาหารก็อยู่ที่ผู้เจ้าบัญญัติยอมกลับไปดูที่ผู้เจ้าบัญญัติจบแล้ง่าย่ายมากเลยบัญญัติมีไว้หมดแล้วนะอืม ผงมะตูมนะก็ได้ถ้ามันเป็นผงมะตูมเปียวๆใส่น้ำไปก็ฉันเอเนาะสินแปดช่วงบ่ายสามารถทานอะไรได้บ้างสนหรับพระภิกษุสามารถถวายสิ่งใดได้ไดบ้างมเลบนอดจากน้ำปานะครับสินแปเนี่ย สินแตเนี่ยพระภัยบูร์น่ะพระที่อยู่วัดดอนไหนโศกแล้วก็ช่วยกันทําพุทธวจนะเนี่ยก็ไปค้นเจอว่าจริงๆสินแป ต, ต้องทานมือเดียวโอ้งานใหญ่นะป้ปาลีใช้คำว่าเอกพติโกก็คือมีพัดหนเดียว <c oughs> ที่เราบอกว่าไม่ฉันในวิการเนี่ยนะนี่เรา ไปเอาสินของสามเนนมานะหรืออย่างที่สองก็คือไปตัดไปตัดทอนบาลีออกไปซึ่งจริงๆแล้วบาลีจะบอกอุ <c oughs> โบโสถ8ประการเนี่ยนะว่างดฉันในลาตรีและวิการทั้งลาตรีทั้งวิการแต่สินของสมเนนจะบอกงดฉันในวิการไม่มีคำว่าราตรีเพราะสามเณรในยุคนั้นเนี่ยยังเป็นเด็ก ร้องไห้หิวอาหารตอนเย็นเพราะนั้นก็เป็นช่องออกอะเปิดได้สำหรับเด็กนะนั้นถ้าให้อาหารตอนราตรีก็ไม่มีบัญญตัติไม่มีผิดเนี่ยไม่ผิดแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้มใหีให้ฉันได้แต่เปิดช่องตรงนี้เปิดช่องว่าผิดไปดึงออกดึงคำว่าฉันในราตรีออกนะห้ามวิการเฉยเพราะวิการมันคือหลังหลังมือแรกเนี่ยมันก็ยังอิ่มอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> ถ้าโยมคีย์คาว่าศินแปดไปจะหาไม่เจอนะพอพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าศินแปดแต่ศินห้าเนี่ยมีส่วนศินแปจริงๆแล้วพระเจ้าใช้คําว่าอุโบสถมี8ประการนั้นอุโบสถ8ปประการเนี่ยมันคือเข้มข้นกว่าระดับของความเป็นปกตินั่นก็คือมีพัดผลเดียวชั้นผลเดียว มือสองถ่านไม่ได้อีกเหมือนกันนะก็ใช้ลำบากขึ้นเหมือนกันนะเริ่มสินแปนเนี่ยนะส่วนสำหรับพิสุนะสามารถถวายสิ่งใดได้บ้างนอกจากน้ำปานะก็สตาราการลิกอายมใ์เนยใสในค้นน้ำมันน้ำพกน้ำมอยแล้วก็ส่วนของต้นไม้ทั้งหมดลากใบดอกเนี่ยลากโสมก็ได้ยังได้นะ หรือลากไม้อะไรก็ได้นะ่ะใบไม้ที่เป็นยานะ่ะผลไม้ที่เป็นยาอย่างสมอมะขามป้อมนี่กันเห็นนะฉันได้ทั้งลูกนั่นแหละนะ่ะเคี้ยวไม่เคี้ยวไม่เกี่ยวนะโยมนะ่สะสมอโยมฉันไปไม่เคี้ยวติดคอตายนะนะั่นนี่ยอืมบางคนบอกไอ้เคี้ยวไม่ได้นะ่ะอ่าไม่ไม่มีในบัญญตนะัติน่ะเป็นการแบ่งกลุ่มประเภทของอาหารอืมเป็นแปด การประเคนของของศีกาต้องวางบนผ้าปูลาดของพระสงฆ์เรื่องนี้มีกล่าวในพุทธศานะอย่างไรบ้างครับเออมันเป็นอย่างนี้เรื่องทานมันอยู่ในเรื่องของทานเยี่ <c oughs> นี่ทานของสัตว์ตบบรุษเดี๋ยวนี้พระเขาส่งพระสูตรกันมาทางอีเมลนะอาา <c oughs> มาต้องฝึกใช้เทคโนโลยีแบบนี้แหละนี่พระตาิดกฉบับบาลีสรมัดเล่มที่ยี่สิบสองหน้าร้อยห้าสิบหกนะตอนนี้ หน้ที่ทํางานด้านหนังสือกับทางานด้านเผยแพร่อย่างในว่าดละมาก็จะแบ่งาอาถาพ่าอยู่ทั่วไปเนี่ยจะไม่ให้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะโทรศัพท์ไม่ให้มีและไม่มีแต่ทพ่าที่ทําหน้าที่การผลิตสือ่อหนังสือทํางานเกี่ยวกับด้านการเผยแพร่จะอนุญาตให้ใช้เครื่องมือพวกนี้ได้นะและก็มีความจําเป็นต้องใช้เพราะอย่างเ <c oughs> วลาเขาเขียนโปรแกรมเข้ามาแล้วเนี่ยใน iPhone i p อ d ไอแพเนี่ยถามว่าถ้าไม่มีคนใช้ใครจะเป็นคนพัฒนา ก็เหลือเรานี่แหละเต้าพัฒนาที่เราต้องจิ้มจๆ้มิไปแล้วเอ๊ะมันสะดุดตรงนี้มาติดตรงนี้อยากมีตรงนี้ตรงนี้อยากจดจําอยากมีบันทึกตรงนี้ตรงนี้อยากมีสีตรงนี้หน่อยเน้นตรงนี้ตรงนี้จะบอกไปทางคนเขียนโปรแกรมแล้วเขาจะเขียนโปรแกรมแก้มาแก้มาแก้มาเรื่อยๆจนกระทั่งมันสมบูรณ์ขึ้นอย่างเนี้ยนะอ่าเพราะว่าตัวโปรแกรมนี้ในของแอปเปิลเนี่ยจะต้องเอาเข้าไปให้เขาตรวจนะเขาถึงจะอนุมัติ เข้ามาให้ลงในแอปพลิเคชันก็ได้ก็ต้องมีฝีมือพอสมควรอย่างนี้นะเพราะนั้นก็ถือว่าคนเขียนโปรแกรมเนี่ยเก่งพอสมควรที่ทาง Apple เขายอมรับและอนุ ญ, ญาตให้ลงในแอปพลิเคชันเขานะแล้วก็ในของ Android ก็เหมือนกันพอทำใน Android เสร็จเราก็ต้องเอามาใช้นะก็ต้องมีทั้ง HTC Welcome iMobile อะไรต่ออะไรเนี่ยเอามาลองใช้ลองใช้ให้หมดแล้วก็สะดุดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนก็บอกให้เขาแก้มา นะก็เลยต้องมีพวกนี้นะดูเนี่ยต่ำมาก็มีหมดซ m s ซุง ม, มีนะนะ <c oughs> อ่านออกมาจริงนะ <c oughs> เปิดนะเดวนี้นะโยมเนี่ยอยากซื้ออะไรไหนดีไม่ดีมาถามอาตมาได้เนี่ยบอกให้ได้หมดนะร <c oughs> ุ่นไหนพันดีไม่ดียังไงนะอันนี้ก็แอปพลิเคชันก็อ e ีตาปิตาแกกดปุ๊บก็พระตาบิดกขึ้นมานะวินัยปิดกสุดตันตะอภิธรรมนะ เล่มที่เท่าไรนะต้องการอ่านต้องการค้นหานะอะต้องการค้นหาคีย์บอร์จะขึ้นมาแล้วคียไปยปุ๊บเนี่ยสแกนแป๊บเดียวนะก็คนได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ทราบว่าท่านเจ้าคุณทั้งหลายก็มีพวกนี้เหมือนกันแล้วก็โหลดอ e ีแตะปิตากยอดโหลดตอนนี้เนี่ยโอ้โหสูงมากนะอ่าเพราะมันคือสุดยอดแหล่งความรู้อย่างแล้วก็สแกนแป๊บเดียวได้แล้วนะ <c oughs> ก็เรื่องของของการปูร่าดมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็มีคือมันมีทั้งที่เป็นพุทธวจนะแท้ๆกับที่อยู่ในคำพีบริวารซึ่งอาจเป็นคำพีที่แต่งขึ้นแต่แต่งขึ้นโดยใช้คำพระศาสดาเราก็ยังไม่ปฏิเสธว่าไม่ไม่ใช่ซึ่งจะบอกกับเข้าบาลีบอกอุบาลีนะการให้เนี่ยมีห้าลักษณะ เขาให้ด้วยกายเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายนั้นเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาเนี่ยจะใครก็ได้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้สัตว์ก็ได้นะช้างนะเอางวงหยิบกล้วยมาให้เราเราก็รับได้นะเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยของเนึ่งด้วยกายเรารับไม่ถึง่ใช้ของเนึ่งด้วยกายก็ได้จะเป็นกระดาษก็ได้ จะเป็นผ้าก็ได้จะเป็นกล่องก็ได้เอาวางมาบนกล่องเนี่ยก็ได้ของนึ่งด้วยกายเขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายเขาก็ให้ Still, ไม่ถึงเขาก็ยื่นเข้ามาใส่กล่องมาให้เราก็รับด้วยกายนะเขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายให้เราก็รับไม่ถึงเราก็เอาของนึ่งด้วยกายไปรับอเทมาอใส่มาเราก็รับด้วยของนึ่งด้วยกายต่อนี่สี่อย่างแล้วนะอย่างที่ห้าก็โยนให้รับฟับนี่อย่างนี้นะว่า นี่ห้าอย่างตัดไว้กับพระอุบาลีนะโยม อ, อยู่คนละฝั่งคองเห็นเดินบินบาบอู้อยากใส่บาทถ้าจานจังเลยโยนมาได้เลยถ้วมาบาทรับฟับนี่ฉันได้ใช่ไหมอ่าเนี่ใช่สำเร็จการให้นะไม่ถือว่าขาโมยนะถ้าอใช่ <c oughs> สแสดงสแสดงเขาไม่รู้พระวินัย ไม่รู้ว่าทไหนหรือบางคนเนี่ยนะโยมใส่รองเท้าแล้วใส่บาตรละผ้าไหลายองไม่รับนะบอกเอ้ยใส่รองเท้าใส่บาทได้ไงจริงๆผู้เจ้าไม่มีบัญญัตินะจริงๆการใส่รองเท้าถ้าฟังธรรมเนี่ยผู้เจ้าห้ามภิกษุแสดงธรรมให้กับผู้ใส่รองเท้าคนละเรื่องเลยเห็นไหม เ, เวลาโยมไปงานศพบรรยายธรรมในห้องประชุมมีใครถอดรองเท้าบ้างไม่มี เห็นนะทั้งที่พื้นสะอาดแต่โยมไม่ถอดรองเท้าแต่เวลาใส่บาตรพื้นสกรปรกโยมอยากถอดรองเท้ากันจังเลยแล้วก็มาบน่นว่าแมพื้นมันสกปรกทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยอย่างงอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติก็เสื่อกกระสนถอดกันเองนะในต้องบอกอย่างนี้นะใช่ว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะั้นถ้าโยมทําตามผู้ชงีง่ายง่ายสะดวกด้วยให้ลูกเด็กเล็กแดงจะไปโร ง, งเรียนใส่รองเท้าซะอย่างดีโอ้โห ไปใส่ในตลาดชชาเชื้อแฉก็เฉื้อแฉหมดเลยถุงเท้าขาวเราเนะเละอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องถอดผู้เจ้าไม่ไปห้ามคาราวาสนะ์เนี่ยไม่ไปสร้างเงื่อนไขกับคาราวาส์เราบิณดาบัดออกหาอาหารใช่ไหมดันไปตั้งเงื่อนไขกับคาราวาส์เดี๋ยวไม่ได้กินหรอกโยมใช่ไหมเออไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเงื่อนไขทั้งสิน้นโยมอยากจะยืนสูงกว่าก็รับได้ใส่รองเท้าก็รับได้รับได้หมดนะเออ ไม่มีปัญหาทั้งสิ้นแต่ถ้าโยมจะมาฟังธรรม <c oughs> ถือไม้พลองถือสัตตาถืออาวุธสวมรองเท้าสวมเขียงเท้านั่งที่สูงกว่านะนั่งบนอาสนะสูงกว่าอย่าไปแสดงธรรมให้นะกลางร่มผ้าโพกหัวนี่อย่าแสดงธรรมให้โอ้โหมีบัญญัติไว้เยอะเลยให้พระเป็นคนสังเกตแต่ไม่ได้ไปว่าโยมนะว่าไม่ว่าแต่ให้สังเกต เล่าอย่าไปแสดงธรรมกับคนแบบนี้อย่างเงี้ยเขาถือวุธอยู่ในแสดงธรรมไม่ดีชักปืนโป้งยิงตายฟรีนะโยมนะหลวงพ่อชาเคยโดนชกเ่ยนั่งแสดงธรรมอยู่คนปีมาชกไี่ยงเลยเห็นไนหะอเนี่ยเพราะนั้นมันพระเจ้าเนี่ยจะป้องกันไม่หมดนะเป็นอย่างนี้นั้นพระที่ไม่รู้นิไนก็ก็เลย บอกสอนผิดกันไป <c oughs> <c oughs> <N ic> นะทนี้โยมเคยเจอแต่ผ้าที่ทอดผ้าไงเห็นหมไม่ทอดผ้าก็ได้นั้นไม่ทอดผ้าเราก็ส่งของกันได้รับได้เลยนะนั้นไปที่วัดอาตมาก็ส่งก็ส่งให้มันถึงถึงมือนะ <N ic> อืมยึดนไปเลยนะอย่ายึกยักยกัยกยพออาตมาจะเ อ, นะอื้อมไปแลอึ๊ดหดแลย งงเลยก็รับกันไม่ได้สักทีอือไอ้นี่กับกล้วยไอ้นีก่ก็เอ๊ะตกลงมันจะให่อยไหมไห่อยวัน <c oughs> ใช่ไหมอือมั่นใจเลยยมั่นจะยื่นปับ๊บเนี่ยอ่าแล้วก็รับปั๊บนี่ใช่ไหมถ้าของหนักเนี่ยเรื่องอะไรอาตมาจะเอามือไปรับแต่มันก็หนักใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวหลังยออ่ออาตมาก็เอ๊ะผ้ารับฝับเข้าไปใช่ไหมอ่า่างดีผู้ชายมาอาตมาก็เอาผ้ารับผู้ชายก็งงถอดผ้าทําอะไรวะก็ผู้ชาอนุญาตนะทําได้ ใช่ไหมได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่างเนี้ยเห็นนะอันนี้โยมเคยเห็นแบบเดียวโยงก็คิดว่าโอ้ไอ้นี่คือถูกอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมอ่ก็ต้องศึกษากันใหม่น ะ, นะอืก็เลยต้องเอาบัญญัติที่ <c oughs> ผู้เจ้าบัญญัติไว้ได้ยังมีในเรื่องของทานตรงนี้อีกซึ่งผู้เจ้าบอกว่าสัตตบรุษเนี่ยให้ทานด้วยมือของตนนะแล้วมีอ น, นิสงส์ด้วยการจําแนกแจกทานเนี่ย แล้วในพระสูตรนี้ยมจะได้เห็นว่าทานเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดโภคะโควะทัพย์อย่างเดียวเท่านั้นนะส่งผลไปเรื่องอื่นอีกด้วยนะมีผิวพรรณงามลูกงามและเรื่องอื่นๆ อ, อีกนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง <c oughs> อสัพปุริสถานหาประการนี้หประการเพนฉนัยคืออสัตตะบุรุษย่อมให้ทานโดยไม่เคารพหนึ่งให้ทานโดยไม่อ่อนน้อมหนึ่งไม่ให้ด้วยมือตนเองหนึ่ง ให้ของที่เป็นเดนหนึ่งไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้หนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาศับปุริสถานหาประการนี้แหลดูก่อนพิสษุทั้งหลายสับปุริสถานห้าห้าประการนี้หประการเป็นไหนนะ <c oughs> สัตบุรุษคนดนะีย่อมให้ทานโดยเคารพหนึ่งให้ทานโดยอ่อนน้อมหนึ่งให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของไม่เป็นเดนหนึ่ง เห็นผลที่จะมาถึงให้หนึ่งเห็นผลหมายถึงว่าเขารู้ว่ากรรมดีมีกรรมชั่วมีผลแห่งทานมีนะบางคนไม่เชื่อไงก็ให้ให้ไปงั้นนะเพื่อนบอกใ ห, ให้ให้ก็ให้อันเนี้ยนี่คือไม่เชื่อผลของกรรมนะในแง่มุมอื่นนะดูก่อนพิสุทั้งหลายสัพพนะุลิสตานห้านะสัตบุตรย่อมให้ทานด้วยศรัทธาหนึ่งย่อมให้ทานโดยเคารพหนึ่ง ย่อมให้ทานโดยการอันควรหนึ่งเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานหนึ่งย่อมให้ทานโดยไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่นหนึ่งนะดูก่อนพิกษุทั้งหลายสัตรูหลุดคลั่งให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นผลิดผลคือบังเกิดผลขึ้นเห็นนะ ส่งผลไปที่รูปร่างงามผิวพรรณงามด้วยเรื่องของทานนะไม่ได้เรื่องโภค้าอย่างเดียวครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภค้ามากและเป็นผู้มีบุตรภรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงียโสดลงสดับคําสั่งตั้งใจให้รู้ในที่ที่ทานนั้นเปิดผลนะบุตรภรยาข้าธาตบริวารของเราเนี่ยจะเชื่อฟังเรา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 ท่านให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภูการมากและย่อมเป็นผู้มีภพกทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทที่ในที่ที่ทาน น, นั้นเปลิดผลนั้นทรัพย์ของเราเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยไม่ถูกโจรขโมยน้าไฟเนี่ยทาลายไป นี่เป็นอ น, นิสงค์ของการให้ทานนะอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยบางคนจะคิดว่าเออทานที่เราให้เนี่ยมันไม่ปราณีตนะมันเศร้าหมองนะแต่แก้ได้ด้วยศรัทธาและการเคารพนั้นศรัทธาและการเคารพเนี่ยแรงกว่านะนั้นพ่อองค์บอกว่าข้าบดีคนให้ทานนั้นเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพ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 แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรยาทาตคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงียยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุใรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทาโดยไม่เคารพข้าบดีบุคคลอันให้ทานนะบุคคลให้ทานอันเสรามองหรือประณิตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทำความนอบน้อมให้ ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้าทานทานนั้นนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคผ้ า, าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรยาทาสคนใช้คนทํางาน ก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทาโดยเคารพ น, นี่เป็นแง่มุมของการให้ทานนะเราจะได้ทราบนะส่งผลไปเรื่องอื่นอีเกเยอะเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อ, อือ๋อก <c oughs> <c oughs> ็อาจจะขาดในสงส่วนนี้เล็กน้อยนะ อย่าไปกังวลเหรียญสลึงที่หายมากนะยังมีเรื่องศีลที่มีนิสง ม, มากกว่าทานเป็นร้อยเท่ายังมีเรื่องของสมาธิที่มีนิสง ม, มากกว่าการให้ทานเนี่ยเป็นรนะ้อยคูนร้อยคุณร้อยเท่านะอ่าไปทาตรงนั้นทดแทนก็ได้ น, ะ <c oughs> นันนี้ก็เรื่องของการ ให้การวางผ้าปูล่าไปหลายเรื่องเลยมนอยโยมถามเรื่องเดียวเนี่ยของ ค, ครับตอนนี้เลยอีกสิบสามคำถามนะครับอืปัจจุบันเห็นสีกาถวายของพระและพระจะต้องมีผ้ารับประเคนไม่นับโดยตรงจากเมืองสีการเรื่องนี้พระพุทธเจ้าประหยติไว้หรือไม่ผมก็บอกไปหมดแล้วเนาะอืมีมควาเข้าใจแล้วขอความเข้าใจเรื่องบาปและบุญในแง่ของพุทธจนะที่ถูกต้อง ชุยปัจจัยอย่างไรจึงถูกต้องเหมาะสมมีงานวิจัยว่าพระต้องการสมุดปากกามีดกลนหัวมากกว่าชุดถวยปัจจัยที่มีครบชุดขายในท้องตลาดจริงหรือไม่ครับอันนี้มันวิเคราะห์กันไปเลือเลนะ่อยเกินไม่ต้องสนใจนะ อ, อันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะเรื่องบาปบุญในแง่ของพุทธศาสนะบาปเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยนำความเดือดร้อนให้ในภายหลังนะ จะเกิดการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นไม่เกิดประโยชน์ตนไม่เกิดประโยชน์ผู้อื่น น, นั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่เป็นปาปาการนางัอานางอกุศลานังบาปอคุศลและบาปอคุศลจริงจริงก็คือตัวนิวรนห่นี่อีกมุมหนึ่งกามชันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนะอกุศลที่แท้จริงคือตัวนี้ตัวนิวรนห่และกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐาน4นะผู้เจ้ามีบัญญัติไว้หมด ถวายปัจจัยอย่างไรจึงถูกต้องเหมาะสมนะก็ต้องผ่านวิยาวั จ, จกรผู้ทํากิจธุระแทนสง์พระต้องการสมุดปากกาอันนี้ไม่มีอะไรนะอะชีวิตยมอยู่อยู่ได้ยังไงนะ่ะพระก็ต้องอยู่รอดอย่างนั้นเหมือนกันเนาะเป็นมนุษย์เหมือนกันน่ะนะอถก็ถวายไปอะไรที่มันไม่เหมาะเนี่ยเดี๋ยวพระก็จะจะอกันออกไปเอง เหมือนมีมีข้าบรดีคนหนึ่งเข้าถวายของให้พระพุทธเจ้าเขาบอกเนี่ยเขามีหมอนข้างสีแดงผ้าปูเตียงสีแดงมีหมอนมีเตียงมีผ้าม่านเนี่ยสีแดงล้วนหมดเลยอยากถวายให้พระเจ้าเขาก็บอกว่าเขาก็พอทราบอยู่ว่าของนี้ไม่ควรแก่สมณะแต่เขามีดีที่สุดของเขาแค่เนี่ยเขาอยากถวายพระเจ้าพระเจ้ารับไหมพระเจ้ารับ ผู้เจ้ารับให้นะแต่ละว่าผู้เจ้าเนี่ยรับเพื่อให้ให้ได้ให้เขาได้อ น, นิสงศ์น ะ, ะเพราะว่าตัวท่านเป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะแต่ท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้เพงั้นแค่เขาได้อ น, นิสงศ์สําเร็จประโยชน์จากเจตนาที่เขาตั้งกับพระพุทธเจ้าก็พอแล้วนะเพราะนั้นโยมตั้งเจตนาถวายก็ถวายไปส่วนพระจะใช้ไม่ใช้เนี่ยไม่ต้องไปกังวล น, นะ ไม่ต้องตามแต่ใช้หรือเปล่าใชาม้มวลอะไรนะใช้ทุกวันไม่เนี่ยอะไรนะโอ้โหนะี่แย่อะไรเหมือนกันแล้วบางทีไปสร้างความหนักใจให้คนใช้นะให้คนรับก็เก่งใจโยมจะมาเฝ้าดูว่านั่นใะช้ไันเนี่ยนะเกออความทุกข์อีกก็มีอยู่ที่ <c oughs> อาตมาเห็นพระลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็ ทำบาทมาเขาอืบาทเขาทําตีเหล็กมาอย่างดีเลยนะแล้วเอามาถวายให้อาจารย์ของท่านนะทำมาเสร็จอาจารย์ท่านก็มาบนที่หลังแมมบาทผมใช้มาสิบหกปีมันก็ยังดีอยู่นะเนี่ยแล้วบาทใหม่มันก็นักหนักหนักกว่าบาทเก่าผมอีกนะผมจะทำยังไงเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ก็เกงใจนะไอ้จะใช้ก็ลำบากตัวเรานะอืม อีหลักอีเรืออยู่อย่างนี้เห็ น, นอืมเพราะฉะนั้นเราเห็นท่านบทเนี่ยเราก็อืมต่อไปเราจะถวายอะไรเนี่ยเราต้องเปิดใจเป็นกลางกลางอา ม, <ๆ S 2> มาก็เคยเอาบาตอย่างดีไปถวายให้พระรูปหนึ่งเราคิดไออย่างดีเนี่ยมันเป็นความเห็นเรานะอาจจะไม่ดีทำความเห็นท่านก็ได้ใช่ไหมอืมโอ้ลูกตรงแปดเก้าพันอย่างดีนะโยมเขาถวายเรามาแล้วไม่ใช้หลอกให้กูบาอาจารย์ไป ไปถวายท่านปับ๊บเราก็บอกว่าผมขอถวายบาทกับท่านอาจารย์นะครับแต่แล้วแต่ท่านอาจารย์จะใช้หรือไม่ใช่ก็ได้นะจะให้พระอื่นใช่ก็ได้อะไรก็ได้ท่านอาจารย์พิณาแล้วแต่เห็นสมควรเลยครับอย่างนี้ก็เปิดกว้างไว้ถวายให้ท่านแล้วท่านพิณาเอาเองนะโยมต้องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพอท่านรับเสร็จแล้วเออดีๆๆเหมือนกันไอบาทผมเนี่ยแหมลูกศิษย์หลวงปู่เทศเขาทามานะผมก็ยังมันยังดีอยู่ผมอยากจะรักษามันไว้นะ ตั้งหลายสิบปีแล้วนะเห็นนะถ้าเราไปล็อกสเปกกว่าท่านนงค์ชายของเราท่านก็เครียดตายเลยนะอืมอืมพอเราเปิดช่องเนะี่ยท่านก็สบายใจที่จะพูดเนี่ยอยู่เข้าใจไมนั้นเงลาถวายของนยมถวายมีหน้าที่ถวายไปเดี๋ยวท่านพิณาเองนะอืมพุทธบริษัทสี่ในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครบปัจจุบันมีครบหรือไม่และมีการกล่าวถึงภิกษุณีไว้ในพุทธจนะอย่างไรบ้างครับอ่าก็คงได้บอกไปแล้วเรื่องภิกษุณี ส่วนพุทธบริษัท4ี่คืออะไรพิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาผู้เจ้าบัญญัติไปแล้วเพราะนั้นเราจะไปตัดภิกษุณีตัดพุทธบริษัทของเราเองออกจากบัญญัติพระศาสดานะอันนี้ปกติจะแบ่งเป็นอย่างนี้4จะมีอีกข้อสุดหนึ่งจะแบ่งเป็น6กระดับภิกษุภิกษุณีอุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสกผู้บริโภคการมอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสิก า, ผ, า, กาผู้บริโภคการมอย่างแม่ชีเนี่ยไม่มีนะ แม่ชีเนี่ยไม่มีในบัญญัติแม่ชีจริงๆก็คืออุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์เรียกอย่างว่าโอดาตวัฒนาขเลือดหัตผู้หญิงผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นะนั้นการนุ่งขาวเนี่ยมีเหตุมาจากตรงนี้มุมหนึ่งนิดหนึ่งนั้นทีแรกเราก็เอ๊ะนุ่งขาวนี่มันมาจากไหนนาะมันมีไห้เนาะโอ้ไปเจอจนได้นะเรียกโอดาตวัฒนาข้าหัตผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ นี่แบ่งเป็นหกระดับสาวกของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัท <c oughs> พระอาจารย์วัดป่าทั้งหลายท่านเป็นพระอาหารหันต์วงเล็บกระดูกเป็นพระธาตุด้วยวิธีเจริญสติอย่างไรความคิดที่เป็นกุศลสร้างภพชาติหรือไม่ครับ <c oughs> พระอาจารย์วัดป่าทั้งหลายท่านเป็นพระอาหารหันต์วงเล็บกระดูกเป็นพระธาตุ ก็พระระหันเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยใช้พระท่านเป็นเครื่องวัดนะก็ต้องพิณาใหม่อีกรอบหนึ่งนะผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องพระทานว่าเป็นเครื่องวัดสอบของอะไรบทบัญญัติในการตรวจสอบความเป็นพระละหันอนุ ญ, ญาตให้ตรวจสอบด้วยตนเองนะเพราะนั้นโยมก็ไม่สามารถไปประเมินได้ว่าท่านเป็นพระละหันหรือท่านไม่เป็นนะ เท่ากับโยมไปเริ่มประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลซึ่งผู้เจ้าเคยเตือนกับพระนลว่าอนนล <c oughs> ไม่ให้บุคคลประเมินบุคคลนะอ่านั้นอย่างในมิกขสลาสูตรพระองค์บอกเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั่นและอนนลพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ที่ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้และพระสูตรนี้จะสอดคล้องกับอีกพระสูตรหนึ่งคือผู้เจ้าบอกว่าไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบความเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยนะและไปสอดรับกับพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งนะหนึ่งบุคคลผู้ประเมินง่ายสองบุคคลผู้ประเมินยาก3บุคคลซึ่งประเมินไม่ได้ประเมินง่ายอะไร พวกมีวาจากลับกรอกมีวาจาสัดสายพวกทุกศินไม่สำรวมอินทรีย์พวกนี้ประเมินง่ายพระเจ้าบอกนะพวกที่สองประเมินยากนี่อะไรพวกมีอินทรีย์สังวร น, น ะ, ะมีสินดีวาจามีที่ตั้งไม่กลับกรอกนะพูดจาไม่สัดสายพวกนี้ประเมินยากพระเจ้าบอกพวกประเมินไม่ได้คืออะไรพระอาหารหันประเมินไม่ได้นะบุคคลเดียวที่ประเมินไม่ได้คือพระอาหารหันและไม่มีเครื่องวัดสอบใย ไม่เคยบอกพระาธาตุคือตัวประเมินพระล้านเดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็เอากระดูไปหลอมปั๊บเหมือนพระาธาตุเลยเห็นไหมเสร็จเลยถ้าเร า, เาพระาธาตุนะมันปลอมกันได้ไงโยมและไม่มีไอเโอบอกด้วยว่าพระาธาตุเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีพุทธวศนะบอกเพราะฉะนั้นคนที่บอกนี่พระาธาตุจริงก็คิดเอาเองไงโยมนะไม่มีบัญญัติพระศาสดาแล้วตกลงเอามาตรฐานคนไหนเป็นคนบอกว่านี่คือพระาธาตุใช่ไหมแอบ กันั้น <c oughs> ตรงนี้ไม่มีพระละาหาันตรวจสอบด้วยตนเองทําอย่างไรผู้เจ้าบอกว่าปุคล น, นั้นเนี่ยย่อมรู้ชัดว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้เหมือนไม่ได้เป็นพรผลานเลยนะก็มีราคะโทสะโมหะหมดแต่รู้ตั้งแต่เกิดจนทั้งดับดวงหมาเกิดจนทั้งดับจิตดวงหมเกิดจนทั้งดับนี่ไม่หมูนะเนี่ย แสดงว่าคนคนนั้นเห็นตั้งแต่วิญญาณที่เกาะ อ, อารมณ์ครั้งแรกจะทั้งดับไปเกาะ อ, อารมณ์ครั้งแรกจะทั้งดับเพราะนั้นนั่นคือเขามีสติบริบูรณ์ร0อร์เซตลอดเวลานั่นคือพระล้านนาเพราะนั้นบทบัญญัตินี้ผู้เจ้าก็ให้วัดสอบด้วยตนเองเท่านั้นไม่ต้องมีใครมาชี้แล้วใครก็ชี้ใครไม่ได้นอกจากผู้เจ้าองค์เดียวนะเพราะนั้นโยมจะเห็นว่าในครั้งกุศการ จะไม่มีพระสารีบุตรพระโมคคานะพระอนุทธ h ไปประเมินตรวจสอบตัดสินใครว่าใครเป็นอะไรไม่กล้านะขนาดพระมหาโกติตะเป็นพระอรหันต์นะเป็นเอตตะทะค้าด้านปฏิสัมพิทา <c oughs> ไปพยากรจิตตาติศารีบุตรว่ามีสมาธิขั้นนี้ขั้นนี้อย่างนี้ต่อไปจะสึกเป็นครวาสพระก็เอ๋ใช่หรือเปล่าเนาะ ก, ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าผู้เจ้าก็อ๋อไม่หรอก ต่อไปเขาจะเลื่เลึกถึงคุณแห่งเนกขรมะได้แล้วจะมาบวชต่อจนเป็นพระระหันพยากรณจนสุดสังสารวัตรเลยน ะ, ะนี่ขนาดพระราหันนะเอตทัทธคันนะพลาดไหมพลาดเพราะนั้นไม่มีใครกล้าเสี่ยงหรอกโยมนะอเพราะนั้นมีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลหมดดังนั้นเราต้องต้องดูมาตรฐานกลับไปที่มาตรฐานที่ถูกต้องนะไม่งั้นมันจะเฉไปเลย น, นะโยมเฉไปเฉไป เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเอาไม่ใช่พระธาตุอย่างเดียวละ่ะเอาเส้นผมเอากระดูกเอาอุจจาระนะขุดส้วมอุจจาระกูอาจารย์ขึ้นมาบอกอ่า น, นี่เดี๋ยวเป็นพระธาตุแล้วนะเอาขี้มาขุดขี้กันมามันไปไปกันใหญ่แล้วโยมนะอา่าลูกศิษย์หลวงพ่อชยนะัยไปขุดส้วมหลวงพ่อชาที่กุฏิอาภาณ์นะ เ, เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอาตมาก็ได้ไปเห็นเขาทํากันอยู่เหมือนกัน บอกทําอะไรขุดซ่วมบอกเอาทําอะไรบอกขี้เป็นพระธาตุโอไปอีกแล้วน่ะนี่เห็นไหมโยมมันจะมีเครื่องวัดประหลาดประลาดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยบานต่อไปก็จะเป็นพระธาตุของอนาคามีอนาคามีเริ่มมีพระธาตุอีกล้วเออตกลงพระธาตุเป็นพระาราหันหรืออะไรกันแน่โยมบอกพระหรหันพระรุ่นหนังๆบอกอนาคามีก็ได้ต่อมาก็โสดาบานอีกแล้ก็เอามา ผมมาเก็บเส้นผมอู้ผมรวมกันเป็นก้อนเลยนะอย่างงน่นอย่างนี้ก็เอามาเป็นเครื่องวัดสอบ ก, กันอ่าไปอีกแล้วอย่างนี้โอ้มันจะบานไปหาที่จบไม่ได้โยมอาตมาเลยไม่สงสัยว่าทำไมผู้ชา่าไม่บัญญัติเรื่องพระธาตุนะไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวเงียบกิบเลยเห็นไหมอ่ไม่งั้นต้องหลุดมาบ้างโ ย, โยนะมเนาะดูดีๆนะตรงนี้ วิธีเดียวที่จะเป็นพระอหานก็คือมักมีองค์แป ด, ดย่อไม่มีเส้นทางอื่นแม้พระศาสดาเราเองก็บอกพระองค์เนี่ยคนพบรอยทางเก่าที่อรันตสัมมาสามพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเคยใช้เดินมาแล้วทั้งสิน้นนะอความคิดที่เป็นกุศลสร้างพบชาติหรือไม่สร้างนั้นกุศลก็ต้องทิ้งแต่อันดับแรกทิ้งอกุศลก่อนทิ้งให้ชํานาญสติถูกฝึกมากขึ้นแล้วต่อไปค่อยทิ้งกุศลธรรมะทั้งหมดยังต้องทิ้งเลยโยนะ อาเลาสัตตปฏิจจสุบาททิ้งหมดผู้เจ้าเปรียบด้วยอะไรเปรียบด้วยเรือแพนะพ <c oughs> ระองค์บอกว่าฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภยัยเธอต้องทำยังไงเธอต้องรวบรวมหญ้าและไม้แห้งทำเป็นเรือแล้วเพียรพยายามไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างแต่พอไปถึงฝั่งที่ปลอดภัยแล้วนะก็ถามสาวกว่าเธอก็มองเห็นแพว่ามีอุปการะมากกับเรา ชาไหนเลยจะแบกขึ้นหัวทูนบนบาปไปได้วยกันอย่างนี้ป่ะมีใครแบกเรือขึ้นบกไหม <c oughs> ไม่มีเนะอืมก็าถามสาวกว่าทำยังไงสางวก็บอกก็ทิ้งเรือไว้ที่นั่นพระเจ้าบอกถูกต้องธรรมะที่พระองค์แสดงไว้ทั้งหมดเน่เปรียบด้วยพวงแผ่ถึงฟังแล้วโยนทิ้งนะอย่าแบกอริสัต4์สีมักมีองแปดไ้ด้วยไม่ต้องเข้าใจไหนี่เป็นอย่างนี้ ธรรมะเป็นอย่างนี้โยมชัดเจนเนี่ยมันบอกแล้วธรรมะผู้เจ้าเนี่ยขาดจบชัดเจนเป๊ะเป๊ะป๊ะมีเหตุผลและโยมเข้าใจตามได้นะนี่ <c oughs> อ่าก็ใช่ด้วยอย่างนั้นด้วยนะ่ะทำเสร็จแล้วปล่อยวางเรื่องทำบุญไม่ให้หลงบุญเนี่ยมีสองลักษณะอีกนะเรียกว่าคนอ่าปุถุชนทั่วไปเนี่ย เป็นสมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยจะทําบุญแล้วหวังบุญหลงบุญนะส่วนอริยบุคคลเนี่ย <c oughs> ก็ทําบุญเพื่อบุญเฉยๆนะปล่อยวางทําแล้วปล่อยวางนะเพราะนั้นพวกสมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยจะทําบุญแล้วจะเนื่องด้วยอุปธิเนื่องด้วยของหนักนะเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์แต่ยังไม่พ้นนรกนะยังเกี่ยวเนื่องด้วยของหนักคือยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตแต่อริยบุคคลเนี่ยสร้างบุญให้ทานแล้วเนี่ยก็ ทำเพื่อทําเพื่อวางเฉยๆเพื่อยังประโยชน์เฉยๆน ะ, ะไม่ตามไปเอ๊ะอะไรยังไงนะไม่ทําเสร็จแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นี่คือระดับของส ม, มาธิฏฐิเบื้องปลายนะครูเจ้าแบ่งเป็นสองระดับเห็นนี้อีกขอทราบทัศนคของพระอาจารย์ตอพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนะครับต่อบแล้วนะก็อย่างที่บอกทัศนะของอาตมาไม่มีอาตมาจะใช้พุทธวศนะตอบ เพราะนั้นที่จตมาตอบก็คือเอาพระสูตรมาตอบแปลงแง่มุมของพระสูตรเมื่อผู้เจ้าไม่เคยพูดไว้ก็ไม่ต้องพูดใช่ไหเราก็ไม่มาบัญญัติเพิ่มนะไม่บัญญัติเพิ่มไม่เพิกถอนภิกษุต้องทำอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้ว จากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสริอมเลยอยู่เพียงนั้นเห็นไหมนั้นความเห็นอาตมาไม่มีโยมนะอาตมาจะบอกพระสูตรอนะไม่เคยพูดเรื่องนี้ก็บอกไม่พูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ไว้แค่ไหนก็บอกไปแค่นั้นโยมก็ไปพินานะเอ่อเรื่องพระปรมสารีริกธาตุและพระธาตุนะก็ไม่มีอะไรก็คือ ธาตุที่พระอาหารหันต์ทิ้งแล้วอ่ะโยมดินน้ำไฟลมเนี่ยคือสิ่งที่พระอรหันต์ทั้งหลายทิ้งไว้บนโลกนะเราไม่ต้องไปชื่นชมหรือชื่นชูอะไรคือใครมีก็เอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่เคารพ บ, บูชาได้เพื่อการระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านนะแต่ละองค์แต่ละท่านเหมือนที่พูะเจ้าอนุ ญ, ญาตให้สร้างเจดีย์ไว้แก่พระอาหารหันต์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจคุตเจ้าเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีคุณธรรมที่ท่านได้บอกสอนเราไว้นั่นคือสิ่งเกี่ยวข้องที่ถูกต้องโยนนะอย่าไปเห็นว่าเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรนะ <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้อีกว่าจิตเคยถ้าเธอเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดํางรีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิ ญ, ญญาณ โยมยึดพระธาตุวิญญาณโยมจะไปตั้งตรงนั้นและโยมจะพ้นจากสังสารวัตไม่ได้นะภิกษุหลวงจีวรจิตไปตั้งอยู่ในจีวรไปเกิดเป็นตัวเลนตัวลายในจีวรสวยไหมนี่เห็นนะเพราะนั้นจิตเนี่ยคิดประวัติเรื่องใดไม่ได้เลยผู้เจ้ตาตรัสดีกว่าขันาธาตุอาญัตนะมีประมาณเท่าใดขันาธาตุอาญตนะทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่โยมต้องปล่อยวางหมดคิดไม่ได้ ไม่มีอะไรยึดได้อย่ายึดอะไรเราต้องการนิพพานนะไม่ได้ต้องการการยึดการเคารพการอะไรไม่ใช่สุดท้ายคือนิพพานพรหมจรรย์ น, นี้มิได้มีเพื่อความบริบูรณ์ของศินไม่ได้มีความมุ่งหมายเพื่อการบริบูรณ์ของสมาธิหรือยานทัศนะแต่เพื่อเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกําเลิกเข้าใจไม นั้นอย่าพอใจแค่ศีลบริบูรณ์การเคารพของฉันบริบูรณ์นะสมาธิฉันบริบูรณ์นะยานทัศน์ฉันบริบูรณ์ไม่ใช่ผู้เจ้าบอกไม่ใช่นะต้องเอาไปถึงแก่นเลยน ะ, อ, ะอย่าไปติดแค่เปลือกแค่กระพี้แค่ยอดอ่อนกิ่งอ่อนไม่ใช่นะ <c oughs> แล้วผู้เจ้ายังบอกกับวักกาลิอีกว่าวักการิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ พระองค์พระตถาคตยังบอกกายพระองค์เป็นกายเน่าดูก่อนว่ากาลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตอย่างนี้นั้นโยมจะเห็นพระตถาคตจริงๆคือโยมเห็นธรรมะที่พระองค์แสดงอย่างชัดเจนชัดแจ้งนั่นคือเห็นพระองค์บอกว่ากาลิ แม้เธอจะจับชายสังคติเราเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชามีกรรมราคา้ากล้ามีความดำฤริ์แห่งใจเป็นไปในทางประทุษล้ายมีสติลหลงหรือไม่มีสัมปชัญญะนะมีจิตแกว่งไปแกว่งมาไม่เป็นสมาธิล้วซเนี่ยเธอนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเราและเราก็อยู่ไกลจากพิสุนั้นโดยแท้เห็นนะแต่แม้จะอยู่ห่างกันร้อยโยชนะ ถ้าเธอมีคุณธรรมทั้งหมดเหล่าเนี้ยก็ชื่อว่าอยู่ใกล้กับเรานี่โยมเข้าให้ถึงธรรมะที่เข้าถึงธรรมอย่าไปติดอยู่แค่ดินน้ำไฟลมตรงนี้นะไอ้มันจะทําให้เราไกลซึ่งท่านพุท ธ, ธาจะบอกตรงนี้ว่าภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมสิ่งขวางกาั้นการเข้าถึงความเป็นพุทธเราก็ไปติดพระพุทธรูปไปติดวัตถุไปติดโน่นติดนี่กันเลยเข้าไม่ถึงธรรมสักทีเห็นไหมไอ้ และความเป็นพระละหันเนี่ยคือต้องวัดกันที่การได้บิบุตรนะนั้นบางทีสาวกก็ไปบัญญัติว่าเนี่ยพระโสดาบันต้องเห็นนิพพานกี่รอบต้องเห็นไ อ, นนอ้นนท์และนี่ไม่ใช่พระาศาสดาบัญญัติไว้เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยคืออะไรเห็นรอยเท้าชา้างนะบอกมีช้างใหญ่ในป่าเนี่ยบุคคลนั้นก็เข้าไปตรวจสอบ พอเดินเข้าไปถึงชายป่าก็เห็นรอยเท้าใหญ่อูนี่ช้างใหญ่มหานาคต้องมีแน่เลยเจ้าบอกนี่โสดาบันนะเดินลึกเข้าไปอีกเห็นรอยเอาช้างเนี่ยเอาสีข้างข้างตัวในสีกับต้นไม้นะนี่สกาธาคามีเดินลึกเข้าไปอีกเห็นลอยที่กิ่งไม้เนี่ยหักจากข้างบนเนี่ยลอยมันเอางวงหักกิ่งไม้นี่อนาคามี เดินลึกเข้าไปอีกเห็นตัวช้างทั้งตัวผู้เจ้าบอกเนี่ยพระอาลัยเห็นไหมว่าโสดาสกิทาคานาคาเนี่ยยังไม่เห็นตัวช้างเลยนะโยมลองดูอุปมาตรงนี้นี่ทัศนะของพระศาสดาอย่างนี้เข้าใจไหมยังไม่เห็นตัวช้างหรือในพระสูตรที่บุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกนะโสดาบันนี่พวกไหนยังอยู่กลางทะเลเลยนะแต่เลียวดูรอบ บุคคลจำพวกแกตกน้ำคราวเดียวแล้วจมเลยเห็นไะหมนะไอ้พวกนี้ทำอกุศลกรรมอย่างเดียวบุคคลพวกที่สองเนี่ยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมพวกนี้ทำกุศลได้นิดเดียวแล้วก็อกุศลต่อไปยาวนะพวกที่สามผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่พวกนี้กุศลก็ไม่เจริญอกุศลก็ไม่ทำทรงงได้เฉยๆทำความดี ทรงๆได้ไม่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังพวกนี้ลอยตัวอยู่เฉยๆนะพวกที่สีุ่ดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆ อ, อยู่พวกนี้โสดาบันบุคคลเริ่มหาฝั่งละเหลียวมองรอบๆ อ, อีกพวกหนึง่งว่ายน้ำเข้าหาฝั่งนี่สกาธาคามีโยมเห็นไหมว่าโสดาบันสกาธาคามียังลอยคออยู่กลางทะเลเลยเห็นนะอ่า เพราะนั้นอย่าพึ่งถึงฟังอย่าพึ่งถึงนิพพานยังเห็นนิพพานเนะี่ยไม่ใช่ละสาวกไปอุปมาเองไปปัญญาผิดละอีกพวกหนึ่งเนี่ยเข้าที่ตื้นแล้วนะขาเหยียบที่ตื้นแล้วนะแต่น้ำยังไม่หมดนะนะเดินลุยที่ตื้นได้แล้วนี่อนาคา ม, มนะีอีกพวกหนึง่งพวกสุดท้ายพวกที่เจ็ดถึงฟังข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพรามยืนอยู่นี่พระอาหารหันต เพราะนั้นพ้นน้ำเนี่ยมีกลุ่มเดียวคืออาเซขะบุคคลคือพระอรหันต์นะนี่ยกพระสูตรให้หลายสิบพระสูตรบางนะั้นลวดเลยนะอเพราะนั้นต้องอยืนยันเรื่องนี้หน่อยเพราะเรื่องนี้นี่เฟื่องฟูกันมากนะเฟื่องฟูกันมากอืม <c oughs> ที่วัด น, นาป่าพงมีซีดีเสียงบทพุทโธชนะสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือไม่ครับอืม ซีดีเสียงบทผูดูนะมีอยู่นะก็จะตัวนี้นะพระจะอ่านคุ้มทรยบจากพระโอษฐ์ทั้งเล่มนะก็คือพระสมเกียรติจะอ่านเล่มนี้ทั้งเล่มน ะ, ะก็อยู่ในซีดีแผ่นนี้สองแผ่นเนี่ยยมให้ผู้ป่วยผู้ใกล้จะเสียชีวิตฟัง ก็เท่ากับได้อ น, นิสงฆ์หกประการอย่างที่ตัดกับพระผัดคุณะนะนะถ้าละสังโยนธาไม่ได้จะละได้ถ้าละสังโยนธาได้แล้วจะได้เป็นพระอาหารหันต์นะแล้วก็ตอนนี้กําลังให้ท่านอ่านเล่มนี้ทั้งเล่มอีกอ่านไปได้สักสามในสี่ของเล่มละนะอันนี้เป็นด้านอริสัตยสีโดยตรงนะเล่มเมื่อสักครู่นี้ถึงแม้จะเป็นขุมทรัพย์ คือว่าก่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงแต่ก็มีเนื้อหาของธรรมะอยู่เยอะพอสมควรเนื้อหาภาคการประพฤติปฏิบัตินะและการดูภิกษุดีไม่ดีอะไรเป็นยังไงจะบอกไว้หมด น, ะ <c oughs> นันก็ไปไปรับได้ที่ที่วัดนะแต่วันนี้ก็มีมาก่อนปิดคอร์สก็จะมีซีดีมาแจกนะก็เยอะเหมือนกันแล้วถ้าเป็นซีดีที่เป็นชุดนี้นะอ่ ก็จะมีหนังสือทุกเล่มที่เราทำไว้นะนะแล้วก็บาลีสยามรัฐทั้งภาษาบาลีภาษาไทยพร้อมโปรแกรมในการสแกนและตัวนี้ก็ใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการนะถ้าปฏิบัติตามพระพุทธวจนะเราจะต้องปรับปรุงหรือสังคยนาอะไรบ้างหนังสือหรือตำรา ข, ของพระอาจารย์อื่นๆที่ไม่ขัดต่อพระพุทธวจนะ เพียงแต่อธิบายให้คารวาสเข้าใจยังใช้ได้อยู่หรือไม่ครับยมบอกได้ยังไงว่าไม่ขัดกับพุทธวจนะอาตมาเนี่ยเจอเยอะเลยขัดแต่เนื่องจากยมเนี่ยไม่ได้ใคร่ครวนทุกปดพันชนะไงเลยคิดว่าไม่ขัดในหนังสือเบสเซลเลอร์ต่างๆอย่าว่าแต่หนังสือที่ที่ <c oughs> ครูอาจารย์แต่งเลยยมเนี่ย ในบาลีสามรัฐแต่ละเวอร์ชันเนี่ยในส่วนที่แต่งใหม่นะขัดกันเองเนี่ยกับพุทธวันะก็เยอะแยะนะที่แต่งเติมเกินเช่นคำว่ารูปประชาญอรูประชาญพระาศาสดาไม่เคย ใ, คใช้คำว่าชาญหรือชานนะในสมาธิระดับอรูปเลยอย่างนี้หรือคำว่าบริกรรมนะในนี้นะวันก่อนอาตมาสแกนเจอในไอ ไอแพดเนี่ยนะไปสแกนเจอที่เขาบอกเรื่องของคําบริกรรมน ะ, ะเขาจะไปพูดเรื่องคําบริกรรมทั้งๆที่คําพระศาสดาเนี่ยไม่ไม่มีเรื่องคําบริกรรมนะมถ้าจะให้โยมดูนะว่าบริกรรม เนี่ยบริกรรมฌานคำที่แต่งใหม่เล่มที่ยี่สิบหน้าที่สองห้าสี่นะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปดูเล่มที่ยี่สิบหน้าที่สองห้าสี่เขาบอกว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายนะบุคคล <c oughs> บุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นชไหนคือหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุอากาศสานาันจา ย, ยัตนาชานอยู่โดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดพอเราพลิกกลับไปบาลีโยมในบาลีไม่มีคำว่าบริกรรมภาษาไทยไปเติมเองนะตอนนี้เราตรวจได้นะพอเรารู้ว่าหนึ่งคำผู้เจ้าถูกต้องที่สุดเท่านั้นปั๊บเราก็พลิกกลับไปบาลีตรวจทุกครั้งนะแลเราก็รู้ว่าอ๋อคาภาษาไทยแปลกเกินเพราะนั้นโยมก็จะไปคิดว่าผู้เจ้าสอนคาบริกรรมไม่มี นะไม่เคยสอนเลยสักครั้งแล้วก็ใช้คําว่าอากาสาร น, นจายตนะชาญพิกกลับไปบาลีคําว่าชาญก็ไม่มีในสมาธิระดับอรูปชาญจะใช้ในสมาธิสี่ขั้นแรกคือปฐมชาญทุติยชาญตาติชาญจตติชาญนอกจากนั้นเนี่ยจะไม่มีคําว่าชาญเลยการแปลครั้งนี้เติมเองหมดนะเนี่ยแล้วยอมจะรู้ได้ยังไงว่า ค, คําครูอาจารย์สาวกถูกทั้งหมดเห็นไหม นี่ขนาดในบาลีสามรัตนยังมีข้อผิดเลยเห็นไหเพราะ น, นั้นพูดใหม่ไม่ได้โยมผู้เจ้าจึงบอกว่าฟังคำใครมาแล้วเนี่ยอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยตถาคตซะก่อนหลักนี้เรียกหลักมหาประเทศสี่ป้องกันเอาไว้นะเมื่อตรวจสอบแล้วถ้าเข้ากันได้ลงกันได้กับคาของตถาคตเนี่ยให้สันนิษฐานเถ็จว่า นั่นเป็นคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุรูปนั้นเนี่ยจำมาถูกแล้วให้เธอรับเอาไว้แต่ถ้าเทียบเคียงกันแล้วเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้กับคํำผู้เจ้าเนี่ยทั้งธรรมและวินัยเนี่ยให้สันนิษฐานว่านั่นไม่ใช่คําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุรูปนั้นเนี่ยจามาผิดให้เธอละทิ้งคําพูดนั้นไปเสียไม่มีสิทธิ์แต่งใหม่อยู่แล้วนะแต่จะมีพลาดอีกว่าจําผิดจําถูกแค่นั้นไอ้แต่งใหม่เนี่ยจบไปได้เลยแต่จํามาผิดจํามาถูกถ ก, ก็อีกประเด็นหนึ่งนะ อาจจะพลาดเรื่องจา ม, มาผิดนั้นถ้าจา ม, มาผิดก็ไม่เป็นไรก็เอาคำตถาคตไปให้เขาก็แค่นั้นเองนะเพราะเขามีสิทธิจาผิดกันไดนะ้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ไปทำให้คุณธรรมของท่านบกพร่องอะไรไปเพราะท่านเป็นพระหลานท่านก็อาจจะจาผิดก็ได้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่คือวิธีการป้องกันความเสื่อมของพระสัทธรรมของพระตถาคตหลักนี้เรียกหลักมหาประเทศสี่ ผู้เจ้ารอบครอบมเห็นนะไม่ต้องพวงผู้เจ้าสัพพัญยูเนวางระบบไว้หมดเลยโยมเพียงแต่โยมเข้าไปศึกษาโยมจะเห็นระบบที่ผู้เจ้าวางเอาไว้นะผู้เจ้าจึงบอกว่าคำของพระองค์เนี่ยเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำนั้นคำของพระองค์มีระบบคำสาวกไม่มีระบบนะโยมนะไม่มีระบบนะไม่สามารถกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่สามารถทำคำให้ไม่ขัดแย้งกันได้และคาสาวกไม่ใช่อากาลิโก โยมจะทราบได้ยังไงว่าสาวกคนใดที่สามารถพูดแล้วเป็นอาการิโกซึ่งมีคนเดียวคือพู้เจ้านอกนั้นไม่มีนั่นแสดงว่ามันแฝงข้อผิดอยู่ในนั้นตลอดเวลาเนี่ยแหละคือปัญหาของการเผยแผ่ธรรมะณวันนี้เลยที่พระเนี่ยไม่ทราบนั้นอาตมาถูกสอนมาเกือบสามสิปีว่ายา เ, าเวลาแสดงธรรมเนี่ยต้องพูดเองนะบัญญัติเองพูดเอ ง, พ, เองพูดจากการปฏิบัติอะไรอย่างนี้ หลักการนี้ผิดมาตั้งแต่หลักการนะสาวกในครพุทธการเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะก๊อบปี้คำพุทธเจ้าทำไมต้องก๊อบปี้เพราะคนที่พูดสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีแล้วอธิบายไว้ครบถ้วนแล้วจึงเป็นศาสตร์เดียวในโลกที่แต่งใหม่ไม่ได้บัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะเนื่องจากเราไม่คุ้นกับศาสตร์แบบนี้เราคุ้นแต่ศาสตร์ทางโลกซึ่งศาสตร์ทางโลกทุกแขนง เวลายมเรียนไม่ว่าจะตรีโทเอกสาขาอะไรก็ตามยมก็อปี้คำอาจารย์ยมทั้งหมดไหมไม่ยมฟังมาแล้วสรุปแล้วก็เขียนเองใช่มแต่พุทธศาสตร์ไม่ได้ต้องก๊อปปี้เป๊ะเลยพูดผิดนิดเดียวพู้เจ้าจวกทันทีเลยสติเกวัตบุตรบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าเรียกสติเราเคยสอนคำนี้แก่เธอที่ไหนเมื่อไหร่โอ้โหไล่เบี้ยกันเลยต้องทุกคาจริงๆสติตอบไม่ได้สังประชุมสงเดียวนั้น มีภิกษุรูปใดเคยได้ยินว่าตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนไหวาตายเกิดไม่มีนั่งเงียบกันหมดเห็นไหมอ่าโอ้โหไม่ได้เลยโยมแล้วถ้าผ้าภิกษุไปเรียนศาสตร์ของคนอื่นมีมาอีกเหมือนกันไปเรียนคำภีรเดรชะฉานคถาโลกายตนะผู้เจ้าเรียกมาบอกว่าถ้าเธอเห็นความสําคัญในคําตถาคต เธอยังจะไปศึกษาคําคนอื่นอยู่ไหมเธอยังพอจะนับเป็นพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่จะไล่ออกจากพระเลยนะเห็นไหมแล้วก็เลยสั่งปรับอาบัตทุกกฎสาหรับพระที่ไปเรียนาศาสตร์อื่นนั้นเดี๋ยวนี้เห็นไหมโยมพระหิ้วกระเป๋าเจมบอนไปเรียนตามมหาวิไลไปเรียนทับนิติาศาสตร์รัฐศาสตร์ไปเรียนอุ้จิปาธะเราทําขาดกับบัญญนะัติศาสตราโยมแล้วเรื่องพวกนี้ใครบัญญัติเพราะพระนั่นแหละบัญญัติ เห็นไหมแล้วพระบัญญัติขาดกับศาสนาโยมจะทํำยังไงเพราะะฉนั้นโยมโยมเลยบอกวเอ๊ะที่อาจารย์อื่นๆบัญญัติออกมาแล้วไม่ขัดเน่ยโอ้มันไม่ได้มันต้องมันแล้วเราจะมานั่งพิจารณาอาจารย์ของแต่ละคนแต่ละคนเอ๊ะของท่านมีขัดไหมปวดหัวตายไหมปวดหัวตายเนี่ยศึกษาอย่างเดียวศึกษาพุทธวจนะอืม อืมอาบัต์อาบัต์ทุกกฎนะผู้เจ้าวางอาบัต์ไ้แล้วอาบัต์ทุกกฎจริงๆเป็นอาบัต์ที่เบาที่สุดปรงได้ด้วยวาจานะแต่อาบัต์เนี่ยไม่ได้มีไว้ให้ปลงมีไว้ให้รักษานะไม่งั้นมันจะเสื่อมน ะ, ะนั้นอาบัต์ทุกอย่างเนี่ยต้องรักษาทั้งหมดเพียงแต่ผู้เจ้าวางน้ำหนักเอาไว้ให้แค่นั้นเองเกิดพลาดพลั้งไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรไง ใช่แต่ถ้ารู้ตัวว่าผิดพลาดแล้วต้องแก้ไขอยู่การปรงอรบัติหมายถึงว่าบอกความผิดของตัวเองเออเราพลาดแล้วเราไปเรียนนิติศาสตร์มาใช่ไหมเอออมันไม่มีสาระอะไรหรอกต่อไปเราจะสำรวมระวังไม่ไปสนใจาศาสตร์อื่นอีกอย่างเงี้ยเออก็จริงจริงแล้วไม่ต้องไม่ต้องแสดงใช่ใช่ใช ไม่ไม่มีบัญญัติว่าผิดแต่ก็ไม่ไม่ต้องทำอ่าไ ม, ไม่ไม่จำเป็นนะนะนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องว่าคำที่แต่งใหม่เนาะอืมนั้นถ้าปฏิบัติตามพระพุทธวจนะเราต้องปรับปรุงหรือสังคทยนอะไรบ้างก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะใช้ตำราเดิมเหมือนเดิมเนี่ยบาลีสามรัต เก่าที่สุดในโลกเนี่ยเราถือกันมาอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้หนึ่งพระปาหรือพระปฏิบัติเนี่ยไม่ศึกษาปัญหาคือตรงนี้และเวลาไปศึกษาศึกษาอะไรไปศึกษาคัมภีร์วิสุทธิมัจบุพสิกขาวันนาบุพสิกขาวรนนาเนี่ยเอามาจากไหนสมเด็จมาสมณเจ้าเอามาจากอมโลกเกิดอามาโลกเกิดเอามาจากคำพีวิสุทธิมัจวิสุทธิมัจเอามาจากตัวนี้เพราะนั้น ตำลาลุกยุคหลังเนี่ยถูกแต่งขึ้นแม้แต่บาลีสามรัตน์จะมีส่วนแต่งขึ้นเลยใช่ไหมเพราะฉนั้นเพียงแต่ให้หนึ่งพระวัดป่าหรือพระปฏิบัติกลับมาศึกษาพุทธวจนะส่วนพระปริยัตเนี่ยศึกษาตัวนี้เหมือนกันแต่ไปศึกษาในส่วนที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ทุกภาคส่วนเนี่ยหลบคำพระเจ้าหมดเลยเห็นนหมโยมนี่มันเป็นปัญหาตรงนี้ ทำไมเนี่ยทำไมคำพุทธเจ้ามีอยู่ไม่ศึกษากันแปลกไหมแล้วเขาก็บอกคำยากเกินสูงเกินไกลเกินมันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องความจริงและในเมื่อความจริงมันไม่ถูกศึกษาแล้วการถ่ายทอดบอกสอนมันก็ถ่ายทอดผิดเพราะหลักการมันผิดตั้งแต่แรกไงเพราะฉะนั้นพระ ส, สูตรเนี่ยที่ยะตมายกขึ้นมาเนี่ยว่าสุตตันต์เราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เนี่ยพระ ส, สูตรนี้ไม่เคยมีพระเอามาพูดนะใช่ไหมอืม พระสูตรเรื่องกลองศึกเนี่ยเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นลิ่มไม่มีพระอามาพูดนะเห็นไหมพระสูตรเรื่องปฏิปุชาวินิตาว่าให้ศึกษาแต่คําตถาคตพระไม่พูดกันนะพระสูตรที่บอกว่าเธอเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูเพราะไปศึกษาคําสาวกไม่มีพระมาพูดนะนี่ปัญหาคืออย่างนี้โยมก็เลยไม่รู้จักอย่างเนี้ท่านี้พออาตมาเอามาพูดปั๊บเนี่ยเขาก็ว่าเอออาตมาไม่เคารพครัวจารนหรือเปล่า แต่เขาลืมไปเขากำลังไม่เคารพพระพุทธเจ้าใช่มแหมเราลืมไปเราติดแค่ ก, กลางๆแค่นี้เองเราะนั้นอาตมาเพียงแต่บอกว่าพระฝ่ายปริยัติเนี่ยอย่ามัวศึกษาอัตถกถาอยู่มาศึกษาพุทธวจนะซะส่วนพระปฏิบัติเนี่ยช่วยกลับมาชื่นชมศาสดาตัวเองด้วยกลับมาศึกษานะพุทธวจนะคำศาสดาตัวเองเวลาเขาอ่านหนังสือ อาจารย์ตัวเองเขาบอกเขาเป็นนักปฏิบัติแต่ถ้าเขาอ่านพุทธวจนะเขาบอกเขาเป็นนักปริยัตินี่มันเป็นอย่างนี้โยมมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่นะหลักการแค่นี้โยมไม่ต้องไปคิดตำราอะไรใหม่ตำราอาจารย์ครึกฤทธ์ก็ไม่มีศูนย์นะอาตมาเพียงแต่ได้มีโอกาสโชคดีที่ได้ศึกษาพุทธวจนะที่ท่านพุทธท่านเนี่ยดึงออกมาจากส่วนนี้ ท่านใช้เวลาถึง22ปีในการทํากับทีมงานท่านท่านดึงออกมาเฉพาะพุทธวจนะจากบาลีสมรัต แ, และดึงออกมาเฉพาะด้านอริยสัจสี่ปฏิจจสุบัตด้วยโอ้โหโชคดีอาตมาไปหยิบตาํารามันตรงเป๊ะพอดีนะมันโชคดีนะแล้วเนื่องจากเราเนี่ยศึกษาอัตมกถาครูอาจารย์มาเยอะแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมครูอาจารย์มันพูดไม่เหมือนกันเพราะเราก็เจาะละเอียดไง เราก็เลยพอมาเจอพุทธพจนะโอ้โมันได้คําตอบแล้วนี่ที่องค์นี้มันพูดเกินองค์นี้พูดขาดองนี้พูดตกตรงนี้ไปอ๋อพระเจ้าตัดอย่างนี้เองมันจบเลยอะ่ะโยมก็เลยเจาะเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็เลยเจอพระสูตรเยอะแยะเลยที่พระเจ้าบอกว่าอย่าศึกษาคําแต่งหมายโอ้เป็นเรื่องใหญ่ น, ะนี่เหตุผลมันเป็นอย่างนี้โยมไม่ใช่ว่าตามาไม่เคยศึกษาสาวกนะเกือบสามสิบปีนะ่ะนั่งอ่านแต่หนังสือสาวกทั้งนั้นนะ่ะ คนเคยบอกให้อตามาอ่านของท่านผู้ท่าที่เป็นพุทธวจนะอาจารย์ไม่อ่านไม่อ่านสาวกเราอาจารย์เราเก่งกว่าดีกว่าเป็นมาหมดแล้วนะอแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะและเวลาตอนนี้อามาแจากหนังสือที่วัดอามาไม่เคยแจกหนังสือสาวกอามาจะแจกพุทธวจนะเพราะอามาเชื่อว่าคําสอนเจ้าชายสิทธัตถะเก่งที่สุดอาจารย์เราเก่งที่สุดชื่อสิท ธ, าธาัตถะใช่ไหม โยมต้องใกล้ชิดพระเจ้าขนาดนี้อย่ามองพระเจ้าสองพันกว่าปีไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมองติดติดเลยนะเหมือนท่านอยู่เมื่อวาน่างเนี่ยแล้วศึกษาคําท่านอ่านคําท่านแล้วยอมจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดได้ไหมนั้นอาตมาไม่ได้โปรโมทอาจารย์คนไหนเลยนะโปรโมทพระพุทธเจ้าได้ไห ม, มเดี๋ยวจะดึกเกินไปเนี่ ย, ยคำถามเลยกลายคถามเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอบต่ อ, ตอดีไหมนะอืมก็คงพอเข้าใจนะในระดับหนึ่งนะ พรุ่งนี้มาพร้อมกันตอนที่หเพื่อปฏิบัติกันต่อ